ก่าวร้ำพระสการครับพระอาจารย์ครับได้ยินไหมได้ยินเสียงดีเลยครับพระอาจารย์วันนี้ตรงเวลาเป๊ะเลยครับพระอาจารย์อย่างนั้นผมขอโอกาสถามพระอาจารย์เรื่องเรื่องของผมก่อนนะครับก็ผมสงสัยในเรื่องของสติปัฏฐานสีครับพระอาจารย์ครับอย่างอย่างสติปัฏฐานสี่ที่มีกายเวทนาจิตกฐธรรมนะครับส่วนกายเนี่ยพอเข้าใจครับที่เราตามดูการเคลื่อนไหวตามดูลมหายใจใช่ไหมครับอาจารย์ ส่วนเวทนาเนี่ยสุขทุกข์ก็แค่รู้เฉยๆใช่ไหมครับอาจารย์มันเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าครับมันมากกว่านั้ น, น, น, นคือจะป็ประทานเจนี่ความจิงไปดักสูดสีปีนนะหล<อ>สุตรปริญญาสี่สี่ระดับปริญญาตรีโทเอกเงเวลาอ่านนี้มันอาจจะคิดว่ามันง่ายๆแต่ความจริงมันมันไม่ง่ายหรอ เพราะว่าการปฏิบัตินี้เพื่อปล่อยวางหนึ่งกายเราปล่อยวางหน้ากายได้ไหมว่าไม่ใช่เราไม่ใช่ตัวเรามันจะเป็นจะตายก็เรื่องของมันแล้วขั้นที่สองก็ปล่อยวางความเจ็บไข้ได้ปวดเวทนาได้ไหมเวลามันเจ็บก็เฉยเหมือนก็ไม่เจ็บนี้ได้ปะเหมือนเขาหนื่อยเขาเจ็บนี่เราเจ็บเปกับเขาหรือป่า คุณอาเปหมอเป็นหมอคนไข้ามาหาหมอเนี่ยหมอเจ็บไปกับคนไข้ปะ่ะไม่ครับเพราคุณเพราคุณหมอเห็นว่าเขาไม่ได้เป็นคุณหมอใช่ไหมใช่ครับอืาแต่ทาไมร่างกายของคุณหมอทําไมเวลาร่างกายมาเจ็บคุณหมอถึงเจ็บไปกับมันด้วยเพราคุณหมอไปเห็นว่ามันเป็นนั่งเป็นคุณหมอไงถ้าพรเนี่ยเราต้องมาปฏิบัติเพื่อแยกใจออกจากร่างกายจากเวทนา จากอารมณ์ของจิตมันเป็นไปตามขั้นตอนของอริยามรรคอริยผลสี่ระดับโสดาบันสกิทาคามีอนาคามีและอราหารันต์เคยต้องใช้ปัญญาแยกแยะกายเวทนาจิตออกจากใจให้ได้ด้วยด้วยด้วยการปฏิบัติด้วยการเป็น ด, ด้วยการทำได้จริงๆ เช่นเวลาร่างกายไปหาหมอหมอบอกเป็นอะไรอย่างเงี้ยจะต้องตายไปในสามเดือนนี้ถ้าใจตกใจใจหวาดกลัวกินไม่ได้นอนไม่หลับนี่ก็แสดงว่าสอบตกทุกยังทุกอยู่ถ้าใจไม่ทุกู้ว่ามันไม่มันไม่ได้เป็นตัวเราของเรามันจะเป็นก็นเรื่องของมันห้ามมันไม่ได้รักษาได้ก็รักษาไปรักษาไม่ได้มันจะตายก็เรื่องของมัน อันนี้แหละคือปัญญาต้องเห็นเรืงตายรัในร่างกายในเวทนาในจิตและก่อนที่เราจะไปทําทําใจรักกับความจริงอันนี้ได้เราก็ต้องมีกําลังอุเบกขาคือวางเฉยได้ก่องใจเราเฉยได้ไหมเวลามีอะไรมากระทบกับกายเวทนากับจิตเราเนี่เฉยได้ไหมบางทีกินไม่ได้นอนไม่หลับเป็นวันวันมัและนั้นเราต้องฝึก สมาธิก่อนให้ได้องเบิกขาก่อนเพื่อเราจะได้เฉยได้สมาธิก็ต้องระดับฌานสีนะ่นั่นรูปฌานสี่ถึงยัม่มีองเบกขาปรากฏขึ้นมาเราต้องฝึกให้มันชํานาญให้มันสามารถสั่งได้มี่อสติสั่งให้มันเฉยได้เวลามีอะไรมากระทบใจจะตกใจนี้ก็สั่งให้มันหยุดตกใจได้แล้วก่อนที่เราจะ สั่งใจได้เราก็ต้องสร้างสติขึ้นมาให้มาก ก, าากว่าถึงคำเนี่ยคำชเรนยวสติตปฐานเริ่มต้นที่สติตก่อนพึกส ต, ติให้มีกำลังสั่งใจให้เข้าสู่อมเบคาให้ได้ก่อนเมื่อสั่งใจให้อยู่ในอมเบคาได้ทีนี้ก็ไปสอนใจความจริงของทางกายเวทนากับจิตว่ามันเป็นธรรมชาติมันเป็นสิ่งที่ ไม่มีใครไปควบคุมมอข้ามันได้ตลอดเวลาร่างกายนี้ตอนนี้เราพอจะควบคุมมันได้แต่วันดีขึ้นดีมันจะเป็นอะไรขึ้นมาต่อให้เป็นหมอก็ควบคุมไม่ได้เวทนาก็เหมือนกันเวทนามันก็มีสุขมีทุกข์มีไม่สุขไม่ทุกข์สลับไปสลับมาบางทีเราก็ควบคุมได้แต่บางทีเราก็ควบคุมมันไม่ได้ตอนนี้ก็คุมไม่ได้ถ้าเราไม่มีอุเบกขา เราก็จะทุกข์นะแต่ถ้าเรามีอุเบกขาเราก็ยอมรับความจริงว่าคุมไม่ได้ก็ปล่อยมันไปใจก็เป็นอุเบกขาใจเฉยใจไม่เดือดร้อนไปกับกายเวทนาจิตได้นี่มันเป็นสามระดับด้วยกันซึ่งต้องทําเป็นขั้นตอนขั้นไปแต่ละขั้นก่อนจะได้ปัญญาต้องมีอุเบกขาก่อนก่อนจะมีอุเบกขาก็ต้องมีสติก่อน ้ก่อนจะมีสติก็ต้องไปปฏิบัติศีลก่อนรักษาศีลแปดให้ได้ก่อนเพราะผู้ปฏิบัตินี้จะต้องไม่มีภารกิจอย่างอื่นไม่ไปเสิรลูปศิลกี่นลดต่างๆต้องไปถือศีลแปดขึ้นไปนสติปทานนี้ท่านสแสดงให้กับพระว่าอย่างไรท่านเลยไม่ได้พูดถึงเรื่องศีลเพราะพระท่านมีสองอยิบเจ็ดข้ออยู่แล้วเป็นพื้นฐานของการปฏิบัติสติปทานสูง สำหรับคารวะนี่ศีลห้ายัางรักษ า, ามไม่ได้จะกินเหล้าอยู่ด้วยก็จะไปปฏิบัติทําได้จะดูหนังฟังเพลงจะไปปาร์ตี้อย่างนี้แล้วจะเอาเวลาไปไปเจริญสติสมาธิปัญญาเพื่อมาสอนใจให้ปล่อยว่างกายเวทนาจิตได้อย่างไรนั่นแหละคือคําตอบไม่ใช่ว่ายาวไปหรือเปล่าหรือว่าอ๋อดีดีครับได้ความกระจ่างเยอะเลยครับอาจารย์ครับ นั้นผมขออนุ ญ, ญาตคำถามถัดไปนะครับอาจารย์ครับอชอันนี้ลูกสาวผมครับอายุสิบเจ็ดปีครับฝากถามครับเขาบอกเขานั่งสมาธิพุทโธพุทโธนะครับแต่ระหว่างที่นั่งสมาธิเนี่ยเขารู้สึกว่าเขายังสามารถที่จะแวบไปคิดเรื่องอื่นได้เขาถามว่าเป็นเพราะอะไรและจะแก้ไขยอย่างไรครับอาจารย์ครับเศรษฐีเรากำลังน้อยไงกำลังแบบว่าไม่สามารถที่จะควบคุมใจให้อยู่กับพุทโธเพียงอย่างเดียวยังถูกกระแสของความคิดเดิไป กระแสความคิดนี่มันแรงนะมันเราคิดมาไม่รู้กี่กลับกี่การแล้วไม่มีไม่เคยควบคุมมันเลยปล่อยให้มันคิดอยู่ตลาดเวลาพอเราจะมาควบคุมมันแม่มันคิดเราก็ควบคุมไม่ได้เพราะกําลังสติเรามีน้อยมากางั้นเราต้องฝควบคุมมันก่อนที่จะมานั่งสมาธิด้วยคือต้องควบคุมทั้งวันเลยเนีย่ยทาไมถึงต้องไปบวชไปปฏิบัติ ถ้าต้องการได้สติแบบที่จะมาหยุดความคิดได้มาทําจิตให้เป็นสมาธิได้มันต้องปฏิบัติทั้งวันตั้งแต่เตย่นขึ้นมาจนหลับเนี่ยผู้ที่จะทําได้ก็คือภาพปฏิบัติเท่านั้นนะครับปฏิบัตินี้ท่านจะไม่ทําอะไรเลยฉันจะทําแต่สติก่อนควบคุมใจไม่ให้คิดพุ่งแตกให้อยู่ในปัจจุบันด้วยการบริกรรมพุทโธพุทโธไป เลยด้วยการจดจอ่อเฝ้าดูการกระทําของร่างกายวันนี้ร่างกายทั้งหลาก็ให้อยู่กับการกระทํานั้นไม่ให้แวะไปคิดถึงอดีตอนาคตไม่ให้แวะไปคิดถึงคนนั้นคนนี้เรื่องนั้นเรื่องนี้ให้จดจอ่ออยู่กับงานที่เราทำอยู่ในปัจจุบันหรือให้มีคำบริกรรมพุทโธอยู่ในปัจจุบันถ้าเราสามารถทําอย่างนี้ได้อย่างต่อเ น, นื่องทั้งวันเวลานั่งสมาธิมันก็จะอยู่กับพุทโธ มันก็จะไม่ไปตามความคิดต่างๆการเป็นคาราวานนี่ก็อย่าไปหวังผลมากเลยขอให้ได้นั่งเฉยๆก็พอแล้วขอให้ได้นั่งสักสามสิบนาทีถึงแม้จะไปนั่งฟุ้งไปคิดเรื่องนู่นเรื่องนี้ก็อย่างน้อยก็ยังควบคุมทางกายได้ว่าให้มันนั่งเฉยๆบ้างวันวั น, นึา่าเคยนั่งเฉยๆมากเพราะปั า, า, ร า, าจริงๆตัได้ตตื่นขึ้นมานี่กระแสความคิดเป็นตัวถักดัให้เราเคลื่อนไหวตลอดเวลาโดยที่เราไม่รู้สึกตื่น เพราะร่างกายจะเคลื่อนไหวได้ต้องรอคําสั่งคือความคิดก่อนต้องคิดว่าจะลุกเหมือนถึงจะลุกได้ต้องคิดว่าจะเดินเหมือนถึงจะเดินได้ยันตั้งแต่เราตืินขึ้ น, นมาที่ไม่เคยหยุดคิดเลยกระแสความคิดนี่มันไลหลไปตลอดเลวลาอย่างนั้นเราก็ขอมาอยู่ที่ร่างกายก่อนสักครึ่งชั่วโมงถ้าชั่วโมงไม่ยังดีให้มา น, นั่งเฉยๆบ้างมันก็จะเป็นเริ่มมีแรงต้านขึ้นมาะ มีแรงกับสติขึ้นมาบ้างถึงแม้ว่ายังไม่เข้าถึงตัวความคิดอย่างน้อยก็ไปเบรกมันที่ปลายเหตุมันก็คือร่างกายที่เป็นผู้รับรับคำสั่งของความคิดมึงสั่งมาได้แต่กูไม่ให้มันไปมันมันนั่งอยู่เฉยอยเางเต่อไปมันแรงแรงที่จะสมสั่งมางมันก็จะเบาลงได้ถ้าเราต้านมันไปครับอันนี้อะไรฟังผมเคยผมเคยทาแบบที่พระอาจารย์เพศ หลายปีก่อนนะครับที่อาจารย์ผมให้นั่งอยู่บนโซฟาตัวเดียวแล้วก็ไม่เลมือถือไม่อ่านคือทีผมเคยลองทําดูครับแล้วก็ให้ลุกเข้าห้องน้ําดูแต่ว่าไม่ต้องนั่งสมาธิก็ได้โอ้ทรมานนะทรมานความความดิ้นรนความฟุ้งซาของจิตมันไม่ยอมอยู่เฉยๆนันจะสู้กับมันได้ก็ต้องต้องอาศัยท่องพุทโธไว้บ้างสวดมนต์ไปบ้างดูลมหายใจเข้าออกไปบ้างก็จะพอบรรเทาได้ การทำเฉยๆไม่มีอะไรสตรันอะไรมันจะทรมานมากใช่ครับกลับกับพระคุณครับอีกข้อหนึ่งครับทุกสาวมันก็เหมือนคนเดิมครับเขาบอกว่าเวลาสวดมนต์เนี่ยเขาสังเกตว่าเวลาจดจ่อเขาจะสวดผิดแต่พอไม่จดจอกับสวดถูก <ORA> อันนีเนเน้เป็นเพราะอะไรครับพอาจารย์อันนี้ไม่ใช่เหมือนกันจดจ่อมัน น, น่าจะถูกพอไม่ไม่จดจ่อมากกว่าน่าจะตามจดจ่อผงไม่มีสมาธิหลุดไปเองจดจ่ออาจาร อาจจะเกรงหรืออะไรขึ้นมาก็อาจจะบมันถ้ามันกนิการปฏิบัติมันก็ต้องมีเขาเรียกว่าทางสายกลางเหมือนกัน<า>เกรงมากเกินไปมันก็ทําให้เครียดนะอาจจะทําให้ลืมประมาทได้ยังไเวลาสังเกตดูวเวลาที่เราจะทําอะไรใหม่ๆนี่เราจะเกรงมากเพราะเราไม่เคยแต่ต่อมาพอเราชํานาญแล้วทีนี้เราก็ไม่ไปไม่ไปเกรงมันแล้วก็ปล่อยให้เปิดไปตามธรรมชาติ การปฏิบัติมันก็ต้องอยู่ทางสายกลางคือไม่เครียดจนเกินไปแต่ก็ไม่หย่อนจนกระทั่งไม่มีอะไรควบคุมใจเมือนตองเรี่องวมัมชิมาปฏิปทาเนี่ยทางสายกลางครับผมมีคาถามเข้ามาสดๆบ้างครับอาจารย์ครับคุณ rw ์บครับเรียนคุณหมอช่วยกราบเรียนถามพระอาจารย์ค่ะเมื่อแยกรูปนามได้แล้วเข้าใจแล้วว่าขันห้าไม่ใช่ตัวตน จะปฏิบัติอย่างไรจึงจะละการยึดอุปทานขันห้าได้จริงๆเจ้าคะอันนี้แยกโดยความคิดไม่ได้แยกโดยความจริงจ้แยกโดยความจริงก็ลองเอ า, าไปอยู่ในป่าช้าสักคืนดูลรวดูว่าจะแยกใจออกจากร่างกายได้หรือเปล่าถ้าใจสานใจยิ้ม น, นอนไม่หลับใจตื่นเต้นหวาดกลัวนี่ก็แสดงว่ายังไม่แยกยังติดอยู่กับร่างกาย ยังถือว่าร่างกายเป็นตัวเราอยู่ถ้าถ้าแยกได้แล้วมันจะเฉยเหมือนกับอยู่บ้านอยู่ป่าช้าคนเดียวก็เหมือนกับอยู่ที่บ้านตอนนี้อันนั้นนะถึงจะเรียกว่าแยกได้จริงต้องแยกด้วยการกา ร, การกระทําไม่ใช่แยกด้วยความคิดอย่างเดียวความคิดก็จำเป็นต้องคิดก่อนว่าร่างกายกับใจเป็นคนละคนกันเมื่อเราเห็นชอบตามที่เราคิดแล้วก็ลองไปพิสูจน์ดูเมื่อร่างกายไม่ใช่ใจ อะไรจะเป็นกับร่างกายมันไม่ได้มาเป็นที่ใจด้วยใจไม่ได้ตายไปกับร่างกายยังถ้าไปอยู่ที่น่ากลัวนี่ถ้าใจไปหวาดกลัวไปกับร่างกายก็แสดงว่าใจยังยึดติดกับร่างกายยังคิดว่าเป็นร่างกายอยู่นั่นเองมีคําถามจากคุณปริยาจิลานะครับสวัสดีค่ะคุณหมออยากถามว่าเราใส่บาบด้วยกระเพาะปลาแต่กระเพาะปลามีเหล้าจีนผสมด้วยผิดไหมคะ ถ้าเป็นปริมาณที่ไม่มากเป็นเหมือนกับเป็นเครื่องปรุงอาหารก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรแต่ถ้าสำหรับผู้ที่ถืออย่างเคร่งครัดแม้แต่สุราหยดเดียวก็ไม่ได้อันนี้ก็อยู่ที่ผู้ที่รักษาศีลว่าจะอย่างที่บอกว่าจะเอาทางสายกลางหรือว่าจะเอาทางสุดโต่ยทางใดทางหนึง่งอันนี้ก็ถ้ามันเป็นเพียงแต่ส่วนผสมของอาหารไม่มี รับประทานไปแล้วไม่ได้ทําให้เกิดอาการมึนเมาขึ้นมาก็ไม่น่าจะเป็นปัญหาอะไรเพราะเป้าหมายของการไม่ให้ดื่มสุาเพราะไม่ต้องการให้มึนเมาขาดสติควบคุมตัวเองไม่ได้เท่านั้นเองจากคุณเพนนกครับอยากทราบวิธีแก้การขี้โมโหคะ่ะความโมโห ข, ของเราเกิดจากความอยากของเราอยากให้เป็นอย่างนั้นอยากให้เป็นอย่างนี้อยากให้เขาทาอย่างนั้นอยากให้เขาทาอย่างนี้น พอ เ, เขาไม่ทำพอมันไม่เป็นไปตามความอยากไหมเราก็โกรธอะรงนี้งั้นต้องแก้ด้วยการกระจัดความอยากต่างๆให้หมดไปจากใจให้ยินดีตามมีตามเกิดร้อนก็ได้เย็นก็ได้ฝนตกก็ได้แดดออกก็ได้เงินเดือนขึ้นก็ได้เงินเดือนลงก็ได้อะไรทำนองนี้ถ้าอย่างนี้เราก็จะไม่โกรธความอยากนี้ทำให้เราโกรธ จากคุณมัณฑยาแย้มอรุณครับอาจารย์บอกว่าตำหนิลูกน้องเรื่องพฤติกรรมระรานเพื่อนร่วมงานคนอื angels, dream, Kultur, ა, ่นขาดอุเบกขาหรือไม่คะก็เห็นว่าเราทําด้วยอารมณ์หรือทําด้วยเหตุผลถ้าเราทําด้วยเหตุผลเขาผิดเรามีหน้าที่ว่ากล่าวตักเตือนไปพูดด้วยด้วยเหตุด้วยผลไม่มีอารมณ์โกรธแคนโกรธเครืองเขาก็ไม่ก็ไม่ขาดอุเบกขาพูดด้วยอารมณ์พูดแล้วเขาไม่ฟังเขาเขาเถียงกับ กลับไปโกรธเขาอย่างนี้ก็แสดงว่าขาดอุเบกขาถ้าเราบอกเขาแล้วเขาเถียงกลับมาหรือเขาอ้างนวดอ้างนี่แล้วเราก็รับฟังเฉยๆโดยที่ไม่มีอารมณ์นี้ก็ยังถือว่าเรามีอุเบกขาอยู่นอย่ามีอารมณ์เวลาเราพูดกับใครถ้ามีอารมณ์ก็แสดงว่าไม่มีอุเบกขา คุณสุดาคุ้มรักษาครับสวัสดีค่ะคุณหมอกราบดัชนักการพระอาจารย์ขอรบกวนถามค่ะว่าทําอย่างไรจึงจะรู้ทันความโกรธและความกลัวกราบขอบคุณค่ะก็อย่างที่พูดนี่แหละก็ต้องรับความอยากอยากได้นั่นอยากได้นี่อยากให้เขาเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ทําอย่างนั้นทําอย่างนี้เราก็ไม่ทํำเราก็โกรธส่วนความกลัวก็ก็ความอยากอยากให้ทุกสิ่งทุกอย่างมันดี อยากให้ร่างกายเราไม่เจ็บไายได้ป่วยไม่ตายอันนี้เราก็ต้องดูความจริงว่ามันเป็นไปได้หรือไม่ทุกอย่างในโลกนี้มันมีเกิดมีดับเป็นธรรมดางั้นถ้าไปอยากให้มันไม่ดับมันก็จะทำให้เราเกิดความกลัวขึ้นมาแต่ถ้าเราเห็นความจริงว่าทุกอย่างเกิดมาแล้วต้องดับเราก็จะไม่กลัวเวลามันดับคุณบูมซองครักราบธรัมศารพระอาจารย์ค่ะ กฎปฏิจจสมุปบาท ต, ต้องพิจารณาตั้งแต่อวิชชาไหมคะในชีวิตประจำวันจะออกมาใช้ให้เป็นประโยชน์ได้อย่างไรบ้างคะขอบคุณคะ่ะแทบจะไม่ได้เลยอันนี้มันเป็นธรรมะขั้นสูงขั้นระดับพระอนาคามีขึ้นไปผู้ที่เข้าถึงจิตใจถึงจะสามารถที่จะพิจารณาความเป็นจริงได้เะน อย่าไปสนใจกับเรื่องนี้มากเกินไปเลยอยาจจะพิจารณาพิจารณาอนิจจังคําเดียวก็พอพิจารณาทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้ไม่เที่ยงแท้แน่นอนไม่ถาวรมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลามีขึ้นมีลงมีเกิดมีดับแล้วก็เป็นอนันตาไม่ใช่ของเราควบคุมบังคับเขาไม่ได้ทุกสิ่งทุกอย่างที่เรามีอยู่เป็นของเราอยู่ในวันนี้มันไม่ได้เป็นของเราไปตลอด วันใดวันหนึ่งมันก็จะต้องมีวันสิ้นสุดลงให้พิจารณาตายรักดีกว่าปฏิจจสมุปบาทนี้ไม่จําเป็นที่ต้องไปพิจารณาอันนี้เป็นความรู้ให้เรารู้การทํางานของกิเลสในใจเราเท่านั้นเองคือหมายความว่าไม่ใช่ข้อธรรมเพื่อมาปฏิบัติใช่ไหมครับอาจารย์ใช่ทำนี้ปฏิบัติก็คือต้องพิจารณาตายรักเพื่อที่จะย้อนย้อนกระแสของอวิชชา อวิชชาคือความไม่เห็นใจรักเนี่ยถ้าเราต้องการหยุดกระแสของอวิชชาเราก็ต้องมาพิจารณาใจรักพอเราพิจารณาใจรักอวิชชามันก็จะหยุดส่งกระแสส่งให้จิตเราไปกว้านหาความสุขต่างๆจากสิ่งต่างๆในโลกนี้เพราะสิ่งต่างๆในโลกนี้ในที่สุดมันจะกลายเป็นความทุกข์เวลามันดับเวลามันจากออไปจากคุณละเลนครับ อยากถามพระอาจารย์เวลาสวดมนต์แต่สวดไม่จบเพราะตกใจเสียงแล้วจะสวดใหม่ยังไม่จบอีกเพราะตกใจเสียงแบบนี้เราจะบาปไหมคะไม่บาปหรอกเพียงแต่ว่าแสดงว่าสติเรายัางไม่มั่นคงพอก็ต้องพยายามฝึกสติต้องบังคับไม่สวดต่อไปถ้าสวดได้ก็สวดต่อไปทําใจให้หายตกใจแล้วก็ตั้งใจสวดใหม่ต่อไปเมือกับเดิน ล, ล้มล้มแล้วก็พยายามลุกขึ้นมาแล้วก็เดินต่อไป ถ้าไม่พยายามมันก็จะมาหยุดตรงนี้มันก็จะติดอยู่ตรงนี้ถ้าเราต้องการที่จะให้มันก้าวหน้ากว่านี้สวนได้นานกว่านี้ให้ําให้ให้จบให้นานเราก็ต้องพยายามสวนต่อไปคุณสายสุนีคุณครับกราบเจ็บการเจ็บป่วยที่รักษาไม่หายแม้ไปหาหมอเฉพาะทางหลายท่านแต่ไม่พบสาเหตุที่แท้จริงได้ แ, แต่รักษาตามอาการจนเลิกไปหาหมอ นอกจากเป็นโรค ก, กรรมแล้วยังสามารถเกิดจากวิญญาณนอกโลกมาทําให้เราเจ็บปวดได้ไหมคะไม่น่านจะทําทําได้นะสําหรับดวงวิญญาณผู้วิญญาณใครก็ไม่มีใครที่จะสามารถเข้ามาทําให้กับผู้อื่นได้มันเป็นเรื่องของหนึ่งของของไตรักของร่างกายร่างกายทุกคนเกิดมาแล้วก็ต้องแก่เจ็บตายไปทุกเหมือนกันทุกคนเจ็บมากเจ็บน้อย เจ็บนานเจ็บไม่นานอันนี้เป็นธรรมชาติของร่างกายนี้ไม่ต้องมีวิญญาณมาทาร่างกายมันจะทำโดของมันเองเพราะมันนี่คือธรรมชาติของร่างกายส่วนเวรกรรมก็อาจจะทำให้ตายเร็วขึ้นหรืออะไรทำนอง น, งนี้เพราะพฤติกรรมมันมันไปส่งให้ไปทำพฤติกรรมที่ไม่ดีเช่นพฤติกรรมดื่มสุรายาเมาอย่างนี้มันก็จะทาให้ไปกระทบปะเทือนต่อ ร่างกายทําให้ร่างกายนี้ถึงแก่ถึงแก่กรรมได้เร็วกว่าปกตินั้นก็มีกรรมกับธรรมชาติของร่างกายนี้แม้แต่พระพุทธเจ้าผ้าหนาก็ต้องตายกันถึงแม้ท่านไม่มีเวรมีกรรมหรือหรือมีก็อาจจะ <c oughs> ก็เป็นเรื่องของเวรกรรมของท่านท่านก็อาจจะมีกรรมเก่าเวรกก่าที่มาทําให้ร่างกายของท่านมีส่วนที่ตายได้เป็นกัน และเรื่องวิญญาณของผู้นี้ไม่สามารถที่จะมาทําให้เราเจ็บป่วยได้ <c oughs> จากคุณอาทิตยาาาาา์ครับอาจารย์บอกว่ากลาวธรรมสการพระอาจารย์ครับตามพุทธประวัติพระพุทธเจ้าตัดกับพระอานุ์ว่าจริงๆแล้วถ้าจเจริญอิทธิบาทก็สามารถต่ออายุได้การจเจริญอิทธิบาทแบบนี้คือการยื้ผูกกับสิ่งที่ต้องการทําให้สําเร็จก่อนไม่ยอมตายหรือไม่ไม่กวนลเรื่องกัน การที่จะยือย้อไม่ยื้อไม่อยอมตายหรือไม่นี่อยู่ที่จิตใจของแต่ละคน <c oughs> สำหรับพระพุทธเจ้าพระนี้ท่านไม่มีความอยากจะอยู่ก็อยากจะตายใจของท่านเป็นกลางอยู่ก็ได้ตายก็ได้แต่สาเหตุที่ท่านให้ท่านยือ้อให้อยู่ต่อไปก็เพื่อประโยชน์ของผู้เพราะว่าผู้ต้องพึ่งพาสายพระพุทธเจ้าเป็นครูเป็นอาจารย์นั้นเองย่าถ้าพระพุทธเจ้าอยากจะโปรดสัต ให้อยู่ไปก็ท่ก็อา จ, จุพยายามจะยื้อร่างกายนั้นให้อยู่นานต่อไปได้เพราะพลังจิตนี้สามารถที่จะประคับประคองร่างกายนี้ให้อยู่ให้อยู่ต่อไปได้แต่ไม่ได้ทำเพราะความอยากของตัวเองเหมือนกับพุทุชนพุทุชนในร้อยทั้งร้อยไม่อยากตายอยากอยู่นานๆยังพยายามยื้อสุดกาลังถ้าทำได้แต่สาหรับพระพุทธเจ้าผ่านานี้ถ้าไม่มีความอยากอยู่ ท่านพร้อที่จะตายได้ทุกเมือ่อทุกเวลาแต่ถ้าการอยู่ของท่านเป็นประโยชน์ต่อโลกท่านก็ยินดีเสียสละยินดีที่จะยื้อร่างกายของท่านเพื่อที่จะทําประโยชน์ให้กับโลกต่อไปจากคุณอาทิตย์ท่านเดิมครับอาจารย์บอกว่าถ้าหากเรากําลังจะตายเช่นป่วยหนักหรือเกิดอุัติเหตุแต่เรายังอยากทําบุญสร้างความดีต่อเราสามารถจเจริญอิทิบาทเพื่อต่ออายุได้หรือไม่ หรือควรเข้าสมาธิปล่อยวางกันห้าแล้วปล่อยให้ตัวเองตายไปโดยไม่ดูดายครับมันก็อยู่ที่ว่า <c oughs> ร่างกายมันถึงเวลาที่มันจะต้องตายไปหรือยังถ้ามันยังไม่ถึงเวลาแล้ว เ, เราสามารถที่จะยืมมันร่างมันให้อยู่ต่อไปได้เราก็เจริญนิธิบาตก็ได้นิธบาตก็สมาธิเหมือนกันก็ต้องเข้าสมาธิอิธิบาสิฉันทะวิรยิยะจิตตะวิมังคส จิตก็คือสมาธิมีมังสาก็พิจารณาด้วยปัญญาว่าร่างกายเป็นไตรับถ้ามันจะอยู่ก็ให้มันอยู่ถ้ามันจะตายก็ต้องให้มันตายไปจิตก็จะสงบเมื่อจิตสงบแล้วจิตก็จะไม่ไปเข้าทบกระเทือนการทํางานของร่างกายทําแพทย์เขาก็บอกแล้วว่าเวลาจิตเครียดจิตไม่เป็นปกตินี้จะไปเค้าทบกระเทือนต่อการทํางานของร่างกายทําให้ร่างกายนี้เจ็บไข้ได้ป่วย ด้วยตายขึ้นมาได้อย่างง่าย ไ, ได้แต่ถ้าเป็นจิตที่สงบจิตเย็นจิตไม่มีอารมณ์ไม่มีความเครียดมันก็ไม่ไปกระทบกระเทือนกับการท า, างานอของร่างกายเห็นก็แล้วแต่ว่าต้องดูสภาพของร่างกายว่ามันจะยืนต่อไปได้หรือไม่เหมือนรถยน์เนี่ยเราขับเราจะรู้ใช่ไหมตอนส่งเขาอู้ช่างบอกขายทิ้งเด้อเป็นเศษเหล็กหรือเปล่าซ่อมไปก็เท่านั้นไม่คุ้มค่า ร่างกายเราก็ให้หมอคนาดูหมอก็บอกว่าอย่าไปรักษาเลยรักษาไปก็ท่านั้นมันก็อย่างนี้ก็ก็กควรจะปล่อยวางให้มันไปแต่ถ้าหมอบอกอย่างเอาสู้ต่อไปยังรักษาได้ยังมีทางหาอยูอ่อย่างนี้เราก็ต้องใช้อธิบาตสี่มเข้ามาเพื่อต่ออายุเราฝึกจิตใจให้เราสงบอย่าไปเครียดกับความเป็นความตายความเจ็บไายได้ป่วยของร่างกาย มันก็จะช่วยให้บรรเทาปัจจัยเสียงลงไปทําให้ร่างกายนี้อาจจะเฟื้งขึ้นมาก็าได้ <c oughs> จากคนแทนครับอาจารย์บอกว่าการได้ยินเสียงสวดมนต์แทบทั้งวันเกิดจากสติยังน้อยไหมคะหากเสียงสวดมนต์ดังมากแต่สวดบทมรณานุสติทําให้ไม่ได้ยินเสียงเพลงคะ่ะการเดินจงกรมดูลมหรืออริยาบทยังได้ยินเสียงเพลงตลอดควรปฏิบัติอย่างไรต่อไปคะเธอ เสียงเพลงนี้ถ้ามันอันนี้มันบอกไม่ได้ยินเสียงเพลงไม่ใช่เวลาสวดมนต์บทสวดบทบาณา น, นุสติขอ ง, ของแต่เวลาเ<อ>ดินเดินจงกรมนี้ได้ยินเสียงเพลงตลอดก็ อ, อ, อย่าไปสนใจถ้าได้ยินเสียงเพลงไม่อย่าไปสนใจขอให้มีสติอยู่การเดินจงกรมกับการดูลบหรือกับการดูวิริยาบทต่างๆอันนี้มันอาจจะเป็นสัญญาความจําของใจที่มันผลิต เสียงเพลงขึ้นมาในใจของเราเราก็อย่าไปสนใจมันพยายามเจริญสติไปแล้วถ้าสติมีความกําลังมากขึ้นต่อไปเสียงเพลงเหล่านี้ก็จะหายไปเองมอีกข้อหนึ่งเขาขยายความครับอาจารย์บอกว่าตอนนี้พยายามเจริญสติเพิ่มแต่เสียงก็ยังมีอยู่และบางครั้งดังมากจนรบกวนการปฏิบัติทําให้ไม่สงบเลยทุกและทอ้อ ควรปรับใจอย่างไรให้มีกําลังใจปฏิบัติต่อไปได้คะหากนานหลายสัปดาห์เสียงไม่หายไปคุณทําอย่างไรคะเบื้องต้นก็เรายอมรับสภาพว่ามันเป็นวิบากของเราที่เราไปสร้างเสียงขึ้นมาไว้ในใจเรามันก็เลยปรากฏขึ้นมาในวิธีแก่ก็อาจจะต้องใช้เวลาต้องใจเย็นๆก็คนพยายามฝึกสติไปเรื่อยๆพยายามให้มีอะไรเป็นเครื่องผูกใจไว้เช่นพุโทโธพุโทโธ หรือการเข้าดูเรียบทต่างๆของร่างกายไปอย่าไปอยากให้มันหายไปทันทีทันใดเพราะเวลามันไม่หายมันจะทำให้เราท้อและทุกใจได้ต้องใจเย็นๆมีคนคนหนึ่งเขาพูดว่ากรุงรงไม่ได้สร้างภายในวันเดียวเห็นปัญหาทางจิตใจนี้ไม่ได้แก้้วยการปฏิบัติคำเดียวอาจจะต้องใช้เวลาปฏิบัติหลายหลายเดือนหลายปีก็ได้กว่าที่ปัญหาอันนี้มันจะหายไปได้ ขอให้อย่าท้อนะอย่าไปทุกข์กับมันถ้ามันยังไม่หายพยายามสร้างเครื่องมือที่จะทําทให้มันหายคือสติให้มีมากขึ้นไปเรื่อยๆหน้าเดียววันดีคืนดีมันก็จะหายไปขอไปครับจากคุณสุรีครับรอาจารย์ครับกราบธรมธิการเรียนถามพระอาจารย์ค่ะจะสามารถเช็คได้อย่างไรครับว่าเรามีสภาที่มั่นคง ตอบพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อย่างแท้จริงคะก็อยู่ที่ว่าเราปฏิบัติตามคําสอนของท่านได้หรือไม่เช่นถ้าเรามีมีข้อสอบเราไปงานเลี้ยงแล้วก็ใครดื่มชุราอย่างนี้แล้วเราเขาลบเราเชื่อบางคําสอนของพระเจ้าวา่าชาวพุทธเราไม่ควรจะดื่มชุราเราก็อยู่ตรงนั้นก็ได้ว่าเราสามารถรักษา สีลงตามที่พระเจ้าสอนให้เรารักษาได้หรือไม่พระเจ้าสอนให้เราทำทานให้เราเสียสละแบ่งปันเวลามีคนเขาตกทุกข์ได้ยากเดีอยร้อนมาขอความช่วยเหลือเราเสียสละแบ่งปันได้หรือไม่อันนี้ก็จะเป็นตัวเช็คดูว่าเรายังมีความศรัทธามั่นคงต่อพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์หรือไม่ เราต้องดูว่าเราทาสามารถทำตามสิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้เรากรทาได้หรือไม่ในเวลาที่มีข้อสอบมาทดสอบเราจากคุณพัพแวนนะครับถามหน่อยครับผมภาวนามาสักพักแล้วไม่รู้เกี่ยวกันหรือเปล่าเวลาผมดูหนังหรือดูละครจิตมันจะรวมเป็นสมาธิแล้วมันจะอินเกินพอจบแล้วมันจะเหมือนลืมวันเวลาไปแล้วว่างๆเลยเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยชอบ ไม่ชอบดูหนังเหมือนเดิมแล้วมันไม่ใช่สมาธิหรอกถ้าเป็นสมาธิก็ไม่สมาธิทางธรรมสมาธิทางโลกคือใจจดจ่ออยู่กับเรื่องราวที่เราดูอยู่แต่ใจไม่นิ่งใจไม่สงบใจมันก็ต้องปลูนแต่งไปกับเรื่องราวที่กําลังได้สัมผัสรับรู้นั้นนี้ไม่ใช่เป็นสมาธิ จากคณสายสุนีคุณครับคนที่เคยทำกรรมหนักมามากและสำนึกได้แต่ยังเป็นผู้ทุชนอยู่เวลาตายไปจะสามารถไปสู่สุคติภูมิได้ไหมคะก็ยือยู่ที่ว่าภายในจิตในเวลานั้นมีบาหรือมีบุญมากน้อยกว่ากันถ้ามีบุญสะสมมากกว่าบาปก็ยังไม่ไปอบายไปสู่สุคติได้ก่อนแต่ถ้ามีบาปมากกว่าบุญที่สะสมไว้ในใจ ไม่ต้องไปอบายอยู่ที่ปริมาณของบุญและบาป ท, ที่เราได้สะสมไว้ช่วงเวลาตายกำลังของบุญและบาปนี้จะเป็นผู้ที่มาแย่งึงจิตให้ไปทางใดทางหนึ่งอาจารย์ครับท่านนี้น่าจะเป็นพระครับ d ดลี่ค r a z y ่ r u m ครับผมบวชหกพรรษาแล้วแลครับเมื่อก่อนนั่งสมาธิได้หลายชั่วโมงตอนนี้หลังผมกระดูกทับเส้นนั่งนานไม่ได้เจริญสติก็เห็นแต่ทุก ตอนฉันข้าวก็นับคำแล้วเห็นลิ้นกระทบรถพอใจแต่กลางอกรู้สึกสะานว่าเป็นทุกข์ครับอาจารย์อาจารย์ท่านคงเรียนนั่งไม่ได้ก็ต้องเดินหรือยืนหรือนอนก็ได้จเจริญสติด้วยสามวิริยาบทถ้าไม่จำเป็นก็อย่าจเจริญในอิริยาบทนอนเพราะมันจะหลับก็เหลืออยู่สองวิริยาบทก็คือยืนกับเดินก็เดินไปแล้วก็จเจริญสติไปพุโทโธพุโทโธไปทาใจให้ว่างทาใจให้นิ่ง แล้วต่อไปความทุกข์ต่างๆก็จะเบาบางลงและหายไปได้พยายามหมั่นจเจริญสติให้มากสตินี้เป็นตัวที่จะหยุดกิเลสตันหาตัวที่สร้างความทุกข์ให้กับใจเพียงแต่ว่าสตินี้ไม่สามารถกำจัดกิเลสตันหาให้หมดไปได้อย่างถาวรเป็นการรงับเป็นชั่วครา้งชั่วคราวไปเวลาใดมีสติก็สามารถหยุดกิเลสทันหาได้ เวาเผอสติกิเลตันหาก็จะกลับมาก่อสร้างความทุกข์ให้กับใจได้ถ้าต้องการให้กิเลตันหาหายไปอย่างถาวรก็ต้องเจริญปัญญาต้องพิจารณาใจรักในสิ่งต่างมันก็จะทําให้กิเลตันหานี้หยุดหายไปได้อย่างถาวรคุณแฮปปี้ออฟไลฟ์เนลส์แมนครับจะทําอย่างไรให้แยกกายกับใจได้ครับก็เมืองต้นก็ต้องเรียนก่อนเรียนให้รู้ว่า ร่างกายเป็นอย่างหนึ่งใจเป็นอย่างหนึ่งร่างกายนี้ทํามาจากดินน้ำลมไฟเป็นวัตถุเป็นเหมือนรถยนต์คันหนึ่งส่วนใจนี้คือผู้รู้ผู้คิดนี้เป็นนามธรรมาไม่ได้เป็นร่างกายเพียงแต่มาเชื่อมต่อกันแล้วก็เป็นผู้สั่งการให้ร่างกายทำะไรต่างๆเหมือนกับคนขับรถกับรถยนต์เป็นคนละคนกับคนละส่วนกัน เรารู้ว่าร่างกายกับใจผู้คิดผู้รู้นี้เป็นคนส่วนของร่างกายเราก็แยกจากระดับจากความคิดก่อนแล้วขั้นต่อไปเราก็ต้องแยกจากการกระทําเช่นเวลาร่างกายเป็นอะไรไปใจเราก็ไม่ต้องไปเต้นตกใจหวาดกลัวไปกับร่างกายเพราะเราไม่ได้เป็นร่างกายเราต้องมองให้เห็นว่าร่างกายของเราเนี้เป็นเหมือนเรามองร่างกายของคนอื่น เวลาเราเห็นร่างกายของคนอื่นเขาเป็นอะไรเราไม่ได้ตื่นเต้นตกใจไปกับเขาฉันใดเวลาเราเห็นร่างกายของเราเป็นอะไรเราก็ต้องไม่ตื่นเต้นตกใจไปกับหน้างกายของเราถึงจะเรียกว่าแยกกายกับใจได้อย่างแท้จริงมีคําถามต่อจากคําถามเมื่อกี้ครับคุณนําโชคแสงแก้วครับบอกว่าจากคําถามก่อนหน้ารูปนามจะทราบได้อย่างไรว่าเราแยกได้จริงไม่ได้จากการนึกคิด และพีใดสามารถพิสูจน์ความรู้สึกนั้นได้ครับก็อย่างเวลาไปหาหมอแนละ้วหมอบอกว่าเป็นมะเร็งเนี้ยเราก็รักษาไม่ได้เป็นมะเร็งคัติสารนะอันนี้ก็ดูที่ว่าใจเป็นยังไงถ้าใจถึงเต้นตกใจก็แสดงว่ายัางแยกไม่ได้ถ้าใจใจแยกได้ใจก็จะเฉยเพราะใจไม่ได้เป็นอะไรไปกับร่างกายร่างกายจะตายก็เป็นเรื่องของร่างกายใจก็ยังเป็นผู้รู้ผู้คิดเหมือนเดิม ไม่ได้เป็นมะรเร็งไปขับร่างกายจากคุณอัญชุกรหงครับสวัสดีค่ะคุณหมอกราบดังสการพระอาจารย์ขอเรียนถามหากจะตัดต้นไม้อายุประมาณ20ปีมีรุกขเทวดาประจําต้นไม้ไหมคะและจะบอกกล่าวอย่างไรได้บ้างคะคือปกติถ้าเราไม่มียานอย่างรู้นี่เราก็คงไม่รู้ว่ามีกายที่อยู่ที่ต้นไม้นั่นหรือไม่ ดังนั้นบางทีคนก็ต้องไปเพื่อมาผู้ที่ผู้รู้นะผู้ที่เขามีตาที่ผู้ที่ที่อาจจะรู้ว่าต้นไม้ตอนนั้นมีกายทิพย์อยู่หรือไม่อย่างถ้าเราไม่มีผู้รู้จะมาบอกเราสิ่งที่เราทําได้ก็ขอคำมาลาโทษก่อนก็แล้วกัน y o u t u b เทียนสาดอกแล้วก็กล่าวคําขอคำมาลาโทษว่ามีเหตุมีความจําเป็นที่จะต้องตัดต้นไม้ต้นนี้ก็ขออภัยถ้าท่านอาศัยอยู่ที่นี่ก็ ผมจะต้องไปหาที่อื่นใหม่อยู่ต่อไปครับจนาะจากคุณทัญพัฒนธนะนะสุขปรสิทจันทร์ครับบอกว่าเอากาวดักมแมลงสาบบาปไหมคะถ้ามันตายก็บาปถา้ า, า, ถ า, มาไม่ตายก็ไม่บาป <c oughs> คุณดารารัตน์จุมครับบอกว่าใจเป็นนายกายเป็นบ่าวคืออย่างไรเจ้าคะเอาใจก็เป็นมนส์สังไรนามกายทำอะไรต่างๆนั่นเอง เช่นวันนี้ใจเป็นผู้สั่งให้โยมเข้ามาฟังเทศน์ฟังธรรมพอสั่งให้บบร่างกายร่างกายเขาไปเปิดเครื่องทําตามคำำําสั่งผู้รู้ผู้คิดเป็นผู้สั่งให้ร่างกายทํานั่นทํานี่เช่นตอนนี้สั่งให้มาฟังเทศน์ฟังธรรมสั่งให้มาเขียนคําถามถามอะไรต่างๆอันนี้เป็ในใจเป็นผู้สั่งก็คื อ, ค, อ, ค, อความคิด น, onom, นี่ใจคือความคิดผู้คิดผู้สั่งให้ร่างกายทําอะไรต่างๆ ร่างกายก็เป็นเพียงแต่คนรับใช้คําสั่งของใจสั่งให้เดินก็เดินสั่งให้นั่งก็นั่งสั่งให้รับประทานก็รับประทานสั่งให้ดื่มก็ดื่มมีคําถามจากคุณเบนจะดวงมาลาครับกราบนำ้ำระสการหลวงพ่อหากเรามีเวลาไม่มากพอเนื่องจากต้องทํางานแต่โยมก็เดินจงกรมสิบห้านาทีนั่งจเจริญสติสิบห้านาทีในทุกๆวันแบบนี้ได้ไหมคะ แต่ถ้าเป็นวันหยุดโยมก็จะเพิ่มเวลาปฏิบัติเจ้าค่ะก็ดีกว่าไม่ทำเลยทำการเดินเก้าหนึ่งดีกว่าไม่ได้เดินเลยถ้าวันอย่างเ็เดินทีละเก้าอย่างน้อยสิบวันแล้วก็ได้สิบเก้ายังการกระทำการปฏิบัติทำนี้ทาได้มากน้อยเท่าไหร่ทไปเถอะแล้วถ้าอยากจะให้มันไปถึงจุดหมายปลายทางเร็วขึน้นก็ต้องทำมากขึ้นเท่านั้นเองทน้อยมันก็ไปถึงช้าเหมือนเดิน เดินมันละเก้าอย่างี้มันก็จะไปถึงจุดหมายช้าแต่ถ้าเราเดินมันละร้อยเกมันก็จะไปถึงจุดหมายเร็วขึ้นคุณปองพลเกิดโมลีครับพระอาจารย์ครับผมสวดมนต์ในห้องนอนถือว่าถูกต้องไหมครับแล้วจำเป็นต้องสวดตรงหน้าหิ้งพระไหมครับไม่จาเป็นหรอกสวดที่ไหนก็ได้สิ่งที่จาเป็นก็คืออให้มีสตินะ ถ้าสวดแล้วไม่มีสติต่อให้นั่งสวดต่อหน้าพระพุทธเจ้าก็ไม่มีประโยชน์อะไรเหมือนที่พระพุทธเจ้าเคยตรัสว่าต่อให้เธอเกาะชายผ้าเหลืองเราแต่ถ้าเธอไม่มีสติวเวลาฟังเทศน์ฟังธรรมของเราเธอก็ไม่ได้รับประโยชน์อะไรนแต่ถ้าเธออยู่ห่างกายจากเราเป็นยศแต่เธอมีสติปฏิบัติตามที่เราสอนได้ก็ถือว่าเธออยู่ใกล้เราดังนั้นมันไม่ได้อยู่ที่ว่าใกล้หรือไกลอยู่ที่ว่ามีสติหรือไม่มีสติ ถ้ามีสติจก็ถือว่าเราปฏิบัติอยู่หน้าพระพุทธเจ้าเลยก็ได้จากพระเดลีครีซ่รัมนะครับนมักสการผมบวชมหานิกายถ้าจะไปปฏิบัติวัดหลวงพ่อได้ไหมครับคือปกติวัดทั่วไปนี้เขาจะรับพระอนุกัตขั้งแรกก็ให้อยู่ได้ช่วงครวควาวก่อนคือสองาทิตย์นะ แล้วหลังจากนั้นก็ต้องดูว่าสามารถที่จะปรับตัวกันให้เท่ากันได้หรือเปล่าอันนี้ก็ต้องอยู่ในดูพินิษของพระเจ้าวัานซึ่งเราไม่ได้เป็นเจ้าวัานและไม่สามารถตอบตอบได้ท่านเท่าที่ทรานอยู่ถ้ามาจากที่อื่นนี้ก็จะรับให้อยู่ได้ชั่วคราวก่อนประมาณสองอาทิตย์แล้วถ้าจะจะอยู่มากไปกว่า น, นั้นก็ต้องไปสนทนากับเจ้าวัานดูว่าท่านยินดีจะรับให้อยู่ต่อไปได้หรือไม่ หรืท่านอาจจะมีเงื่อนไขอะไรที่เราอาจจะต้องกระทําถึงท่านจะให้อยูมได้คุณทรัพย์เจริญบั่นคงครับบอกว่าจะทําอย่างไรเมื่อผู้ใหญ่ในบ้านติดการพนันจะทําอย่างไรให้ท่านเห็นถูกได้คะกาท่านไม่ถามเราเราก็ทำอะไรไม่ได้เถ้าท่านถามเราว่าให้เรื่การพนันนี่ถูกหรือผิดนี้เราก็บอกท่านได้แต่ถ้าท่านไม่ถามเราก็ก็เป็นเรื่องของท่านไป จากคุณสรันพินทวิหกนะครับกราบดังักการพระอาจารย์ครับการภาวนากับการสวดมนต์เหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไรครับคือคําว่าภาวนานี้ก็คือการพัฒนาจิตใจโดยการปฏิบัติสติสมาธิและปัญญาการสวดมนต์นี้ก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของการภาวนาเพราะว่าเป็นการเจริญสตินั่นเองเจริญสติเจริญสมาธิ จากคุณนําโชคแสงแก้วครับหากเห็นไตลักจะรู้สึกอย่างไรครับและจะทราบได้อย่างไรว่าไม่ได้เกิดจากการนึกคิดครับก็ปรงได้หลงได้แดนจะทิ้งแล้วก็ปร่งได้นะคไปแดนจะไปก็ไปเงินจะหมดก็หมดอย่ไม่เดือดร้อนแสดงว่าเห็นไตล้วว่ามีเกิดมีดับมีมามีไปไปก็หาใหม่ได้ถ้าอยากได้ใหม่เงินหมดก็หาใหม่ได้ แต่ไม่ต้องมาเศร้าโศกเสียใจกับเงินที่มันหมดไปมันหมดไปแล้วมันไม่กลับมาแล้ว ไ, ไปเศร้าโศกเสียใจมันได้ประโยชน์อะไรถ้าอยากจะได้เงินใหม่ก็ไปหาใหม่แต่ถ้าเข็ดว่าไม่เอาแล้วมเป็นไตรลักษณก็ไปบวชเชื้อไม่ต้องมีเงินไม่ต้องใช้ไเงินแต่คุณจีจีสมายครับที่เขาพูดกันว่ากรรมยุติธรรมเสมอนี้ใครเป็นคนพูดคํานี้ละครแล้วจริงหรือไม่ค่าว่ายุติธรรมเสมอ ใครทำอะไรได้อย่างนั้นจริงหรอคะพิสูจน์ได้ทุกลายแน่นอนไหมคะก็จะพูดว่าเป็นพระพุทธเจ้าเป็นผู้พูดก็ได้แต่ถ้าไม่ได้พูดตามที่พูดมาแต่ท่านพูดว่าใครทำคำํากรรมอันใดไว้ก็จะต้องเป็นผู้รับผลของกรรมนั้นดีหรือชั่วบุญหรือบาจะต้องเป็นผู้รับผลของกรรมเหล่านั้นไม่ช้าก็เล้วไม่ได้มาคำว่าทันทีทันใดเสมอไป กรรมบางอย่างก็สแสดงผลเร็วกรรมบางอย่างก็สแสดงผลชา้าจากคุณเพปเปอร์ครับกลาวนมัสการค่ะพระอาจารย์ดิฉันเคยได้ยินว่าเทวดาอยากเกิดเป็นมนุษย์เพื่อปฏิบัติธรรมเป็นความจริงหรือไม่คะหากเป็นจริงทําไมจึงเป็นเช่นนั้นครัพระอาจารย์ อ, อ๋อนนี้ก็อาจจะเป็นความคิดของใครคนหนึ่งนั่นเองโดยปกติแล้วคนที่อยากจะปฏิบัติธรรมนี้ มีทุกระดับเป็นเ ท, เทวดาก็มีเป็นพรหมก็มีเป็นปุตุชนเป็นมนุษย์ก็มีแม้แต่สาธิตราชานก็มีที่อยากจะปฏิบัติธแต่ในช่วงที่เขาเป็นอยู่นี้เข้าไปเขาต้องไปใช้ผลเวนผลบุญผลกรรมของเขาก่อนงั้นการชอบปฏิบัติธรรมนี้ไม่ได้หมายความว่าจะต้องเป็นเทวดาหรือเป็นมนุษย์มันเป็นเรื่องอุปนิสัยของแต่ละท่านว่าเคยสะสมนิสัยนี้มาหรือไม่ ถ้าเคยมีนิสัยชอบปฏิบัติธรรมมันก็จะชอบปฏิบัติธรรมแตาว่าบางเวลามันอาจจะต้องไปเกิดเป็นเดรัจฉานบ้างไปเป็นเปรตบ้างไปตกนรุบ้างหรือไปเป็นเทวดาบ้างมันก็ไม่ได้มาลบน้าําอุปัญญาอันนี้ปัญญาอันนี้มันมันอยู่ในใจเมื่อมันมีโอกาสได้ปฏิบัติเมื่ อ, อไหร่มันก็จะปฏิบัติทันทีคุณพี่ทิศ มอครับบอกว่าในวันพระพยายามจะถือศีลแปดค่ะแต่ถ้าเป็นวันทํางานการนั่งเก้าอี้ทํางานถือว่าผิดศีลหรือเปล่าคะและควรปฏิบัติอย่างไรคะ อ, อ๋อไม่ไม่ผิดหรอกถ้าการนั่งเก้าอีนอ้นี่ไม่ได้เพื่อเพื่อความสุขความสบายเพื่อความหรรษานั่งเก้าอี้ถ้าเป็นไปเพื่อเป็นการกระทําการงานนี้ไม่ถือว่าผิดศีลแปดได้อย่างใด อาจารย์เหลียงคนดวงเฮงถามครับข้อที่หนึ่งพระอวโลกิเตสวนกวนอิมโพธิสัตว์มีจริงไหมเคยอ่านพระบางรูปเช่นหลวงพ่อฤาษีลิงดมหลวงพ่อจรันหลวงปู่ดุก็ว่ามีจริงพระบางรูปก็ว่าไม่มีจริงถ้าไม่มีจริงคนที่กราบไหว้บูชาก็จะเห็นผลไหมครับอันนี้เราก็ไม่รู้นะเพราะเราไม่เคยศึกษามาก่อนแล้วก็ไม่เกี่ยวกับเราจะกราบไหว้หรือไม่กราบไหว้ก็ไม่ไม่รู้จะได้ผลหรือเปล่าแต่เราไม่ไม่ไม่ได้ ไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องเรื่องนี้เลยเรารูปเพลงแต่พระพุทธเจ้ารูปเดียวนี้พระพุทธพระพุทธทิศทั้งหลายนี้เป็นผู้ที่จะเป็นพระพุทธเจ้าต่อไปในอนาคตอีกนานไกลเราไปสนใจกับผู้ที่ยังไม่เป็นพระพุทธเจ้าทําไมในเมื่อเรามีผู้ที่เป็นพระพุทธเจ้าให้เรากล่าวว่าโยชาอยู่แล้วไม่ดีกว่าแล้วข้อที่สองครับว่านั่งสมาธิภาวนาพอพุทโธพุทโธไปเรื่อยๆ เดี๋ยวก็วนกลับมาเป็นโอมาณีปามีโฮงอีกท่านเลือกภาวนาโอมาณีปามีโฮงได้ไหมครับก็แล้วแต่ถ้าทำแล้วให้ใจเราสงบได้จะเลือกแบบไหนก็ได้เท่านั้นขอให้ดูที่เป้าหมายเห็นให้ดูที่ผลของการกระทําว่ามันทําให้ใจนิ่งสงบเป็นเบกขาเป็นสุดได้หรือไม่จากท่านเดิมครับบอกว่าเคยฟังทำแล้วไปกราบไหว้ครูบาอาจารย์พระไทยเคยคิดอยากจะบวช พอตกกลางคืนฝันว่าบวชใส่จีวรเป็นพระจีนก็แปลกใจแต่ไม่คิดอะไรผ่านไปสามสี่ปีฝันอีกว่าใส่จีวรพระจีนแบบนี้ครับก็ <c oughs> แสดงว่าเรามีความชอบเป็นพระจีนมากกว่าเป็นพระไทยก็ไปบวชกับพระจีนก็ได้พระจีนท่านก็ปฏิบัติศิ้นสมาธททิปัญญาเหมือนกันคุณแม็กทีวีครับกราบหลวงพ่อเจ้าค่ะหนูขอถามหลวงพ่อว่าถ้าลูกหลานไม่ชอบทําบุญใสบาต จะมีวิธีไหนให้เขาหันมาทําบุญบ้างเจ้าคะแล้วเขาจะมีบาบ้างไหมคะถ้าเป็นใบได้ก็ถ้ามีพระถ้าบ้านเราใส่บาบ ท, ทุกวันสมมุตินะอย่างที่บ้านอําเภอเนี่ยจะมาไปเป็นตบานนี้ชาวบ้านส่วนใหญ่เขาจะใส่บาแล้วก็จะฝึกลูกหลานเขาให้ใส่บาบกันสอนให้ลูกหลานที่สามารถที่จะใส่บาบได้เริ่มใส่บาบกัน อย่าถ้าเราไม่มีพระผานะหรือถ้าเราไม่มีประเพณีทำเนียมใส่บาททําบุญเป็นประจําเราก็ไม่รู้จะทำอย่างไรนั่นกันนอกจากชวนเขาไปทําบุญกับเราเวลาเราไปทําบุญเวลาเราใส่บาทก็ชวนเข้าไปใส่บาตด้วยถ้าเขาไปก็ดีถ้าเขาไม่ไปก็ช่วยไม่ได้คุณประชาชนคนกลางๆบอกว่ารบกวนคุณหมอกราบเรียนถามอาจารย์ครับจิตไม่ใช่กายแล้วใครสั่งกายครับ เขามีพิธีการสั่งการได้อย่างไรครับกลับไปขอบคุณครับก็จิตไงจิตไม่ใช่กายเนี่ยเป็นผู้สั่งกายจิตไม่ใช่ร่างกายจิตไม่ได้อยู่ในร่างกายบางท่านคิดว่าจิตคือสมองบางท่านคิดว่าความคิดอยู่ในสมองตามจริงไม่มีความคิดอยู่ในสมองไม่มีการรับรู้อยู่ในสมองผู้ที่รู้ผู้คิดนี้อยู่อีกอยู่อีกโลกหนึ่งอยู่ในโลกอยู่ในมิติหนึ่งที่เราเรียกว่าโลกทิพย จิตนี้เป็นผู้ผู้สั่งการให้ร่างกายทำอะไรต่างๆถ้าไม่มีจิตแล้วร่างกายไม่สามารถทำการอะไรได้อาจารย์เหลียงครับแบบนี้ถ้าบวชเป็นพระมหายานจะสามารถเป็นอรหันตาสาวกนิพพานได้ไหมเพราะเคยอ่านมาว่ามหายานมุ่งสู่พุทธภูมิคือปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้าทำให้ต้องเวียนตายเกิดอีกนานครับอาจารย์ ถ, ถ้าเป็นไปตามที่พูดนี่ก็ไม่สามารถเป็นพระอรหันต์ได้เพราะเขาไม่เน้นการที่จะไปเป็นพระอรหันต์คนละหลักสูตรกันหลักสูตรของมหายานนี้เขาต้องการให้ไปเป็นพระพุทธเจ้าคะส่วนส่วนของเถรวาณนี้เราเป็นหลักสูตรให้เป็นพระอรหันต์าวนั่ก็อยู่ที่เราผู้ผู้ที่จะไปบวชผู้ที่จะไปปฏิบัติมาเราต้องการหลักสูตรชนิดไหนถ้าเราต้องการเป็นพระพุทธเจ้า เราก็ไปบวชกับพวกมหายาณแอ้วการที่จะเป็นพระอาหารหันตระสาวกเราก็ไปบวชกับพวกเทระวสคุณนำโชคแสงแก้วครับจิตเจตสิกต่างกันอย่างไรครับมีวิธีแยกอย่างไรครับคือคำว่าจิตนี้ก็คือเป็นผู้รู้ผู้คิดส่วนจิตเจเ จ, จตสิกนี้ถ้าที่เข้าใจนแปลว่าสิ่งที่มีปรากฏขึ้นในจิตเช่น อ, อารมณ์ต่าง ด้วความคิดต่างๆนี่เราเรียกว่าเจตสิกแต่จิตนี้เป็นผู้ที่เป็นผู้รู้ผู้คิด อ, อยู่ที่เดียวกันเจตสิกก็อยู่ในจิตนั้นคุณสวิทโฮมครับเรียนถามพระอาจารย์ค่ะกรรมไม่ดีที่เคยทำไว้ตอนเด็กแต่ตอนโตมารู้สึกสำนึกผิดแล้วแต่ไม่สามารถไปขอขมาบุคคลเหล่านั้นแล้วต่อหน้าได้ ควรจะทําอย่างไรดีเจ้าคะที่จะช่วยบรรเทาความรู้สึกติดค้างต่างๆในใจคะ่ะคือการขอกมานี้มันก็ไม่ได้ไปลบล้างการรมที่เราทํำบาปที่เราท ำ, า ก, ทาทำการไปขอกมานี้ก็เป็นเพื่อที่จะแสดงความรับผิดชอบว่าเราได้กระทําสิ่งที่ผิดเพื่อที่เราจะไม่ได้ทําซ้ําอีกต่อไปเพราะฉะนั้นถึงถ้าเราไม่ได้ไปกล่าวคําขอกรรมมาจากบุคคลต่างๆก็ไม่สําคัญ ถ้าเราสํากันอยู่ที่บ้าเราซ้ำนึกผิดหรือไม่ถ้าเราซ้ำนึกผิดแล้วเราก็พยายามอย่าไปทําซ้ำอีกเท่านั้นเองนี่คือเจตนาของการได้ขอเข้ามานาโทษคุณชาวิทย์วายนะครับบอกว่ากราบธรรมสการพระคุณเจ้าครับหากผมสวดมนต์ด้วยใจที่อยากจะแผ่เมตตาแผ่ส่วนกุศลไปถึงบิดามารดาญาติและบุคคลอื่นทั้งผู้ที่ยังมีชีวิตและไม่มีชีวิตผลจากการสวดมนต์จะไปถึงบุคคลเหล่านั้นไหมครับ มันคนละเรื่องกันการสวดมนต์นี้เป็นเป็นเรื่องของเราเราสวดมนต์เพื่อให้ใจเราสงบทําให้ใจเรามีความสุขให้มีสติส่วนการที่จะอะให้ความสุขแก่ผู้อื่นเนี่ยก็ต้องไปทําอะไรให้เขามีความสุขเช่นเรามีเงินเหนือใช้เราก็แบ่งให้คนอื่นใช้บ้างอย่างนี้เขาก็จะมีความสุขจากการการะทาของเราไม่ใช่จากการสวดมนต์ของเรา เขาไม่รู้เรื่องหรอกว่าเรากำลังสวดมนต์ให้เขาแต่เขาจะรู้เวลาที่เราเอางินไปให้เขาแล้วเขาจะมีความสุขจากการที่ได้รับเือนจากเราคุณนัททิครับบอกว่าขอพระอาจารย์ช่วยแนะนำเมื่อเราย้ายเข้าบ้านใหม่ควรอัญเชิญพระพุทธรูปเข้าบ้านอย่างไรคะและพิธีกรรมอะไรบ้างที่เราสามารถทำเองได้เบื้องต้นครับเราก็ยกเข้าไปตั้งเลยก็ื่ยว่าเรื่องว่าความสะดวกน สะดวกยังไงก็เอาไปตั้งเหมือนกับเป็นเฟอร์นิเจอร์อันหนึ่งนแหละไม่มีอะไรหรอกคุณวงมซองครับบอกกราบเน ร, รัศการพระอาจารย์ค่ะเวลาเจ็บป่วยจะกําหนดอย่างไรให้เป็นผู้เห็นไม่ใช่ผู้เป็นคะก็ต้องฝึกนั่งสมาธิ ท, าทําจิตให้สงบเวลาจิตสงบแล้วจิตก็จะเป็นผู้เห็นผู้รู้เฉยๆจะไม่ไปยึดไปติดไปถือว่าร่างกายเป็นเราเป็นของเราชั่วคราว คุณแท็กทิคังนะครับเมื่อนั่งสมาธิจนเหลือตัวผู้รู้อย่างเดียวควรปฏิบัติอย่างไรต่อไปครับก็ให้รู้ไปนานให้นิ่งไปงนานๆคุณดีๆขอเล่นถามสองข้อค่ะวันพระรักษาศีลอุโบสถนอนบนฟูกฟูกวางบนพื้นห้องไม่ได้วางบนเตียงไม่ได้นอนบนไม้กระดานผิดศีลไหมคะ ถ้าเป็นฟูกเพอนอนให้สุขให้สบายก็ผิดศีลไม่ต้องการให้สุขสบายจากการหลับนอนนั้นควรจะนอนกับพื้นปูด้วยผ้าหรือปูด้วยเสื่อก็พอถ้าเป็นยังเป็นฟูกอยู่นี้ไม่ว่าจะอยู่บนเตียงหรืออยู่บนพื้นบนบนพื้นก็ถือว่าผิดศีลเหมือนกันเพราะเป็นเป็นกามากามะ ก, กามราคะหรือเป็นกามาฉันทะยินดีกับความสุขจากการสัมผัสทางร่างกาย การนอนนี้ต้องการให้นอนเพื่อพักผ่อนร่างกายแต่ไม่ให้หาความสุขจากการหลับนอนในร่างกายเวลาง่วงนอนนี่นอนทับกับพื้นก็หลับได้นอกจากว่าถ้าพื้นมันเย็นมากก็อาจจะปูผ้านั้นาๆเพื่อการความความเย็นไม่ให้มาันเท่ากับร่างกายอย่างนี้ก็ทําได้ถ้าทําเพื่อรักษาร่างกายแต่ไม่ได้ทําเพื่อให้เกิดความสุขจากการนอน ถามอีกข้อหนึ่งครับบอกว่านอนสวดมนต์บาปไหมคะไม่บาปเราเองน่าจะไม่ได้บุญมากเท่านั้นเองเพราะสวดไปได้สองสามคำก็อาจจะเคลิ้มหลับไปถ้าอยากจะได้บุญมากก็นั่งสวดดีกว่าเพราะจะไม่หลับง่ายถ้าอยู่ในท่านอนนี่มันจะหลับง่ายจากคุณกิ๊กค้ครับกราบพระอาจารย์พระอาจารย์เคยนอนสมาธิไหมคะดิฉันนอนสมาธิไม่เคยสําเร็จเลยคะ่ะขอพระอาจารย์แนะนําพื้นฐานเพราะ เหตุเพราะน้ำหนักและเยอะนั่งแล้วขาชาค่ะกราบขอบพระคุณอาจารย์ก็ถ้าถ้าร่างกายมันไม่เมื่อยมันไม่ง่วงมากเกินไปนอนสมาธิก็ก็ไม่หลับได้ถ้ามีสติดีแต่สําหรับคนที่ไม่มีสตินี้ไม่ว่าร่างกายจะง่วงหรือไม่ง่วงนี่เวลานอนแล้วมันจะเพิ่มได้ง่ายกว่าก็ลองทําดูว่าแล้วกันถ้านั่งไม่ได้ก็ลองนอนสมาธิดูนอนดึรลมายใจเข้าออกไปเรื่อย คือนอนแล้วบริการพุดโธ พ, พุดโธไปนึกว่าจะหลับหรือไม่จากคุณลินครับรขออนุญาตสอบถามค่ะการนั่งสมาธิตอนตีสี่มีความต่างกับการนั่งสมาธิในเวลาอื่นหรือไม่อย่างไรคะถ้าเรานอนานั่งสมาธิหลังจากที่เราตื่นขึ้นมาเช้ามืดนนจิตมันจะสงบง่ายกว่าเพราะว่าอารมณ์ต่างๆ ท, ท, ที่เราได้ มาจากการไปทำงานจากสถานที่ต่างๆมันมันมันจะสงบเงียบลงไปไ ม, ไม่เหมือนกับเวลาที่เรานั่งสมาธิก่อนนอนนี้อาจจะสงบยากกว่าเพราะว่ายังมีเหตุการณ์ต่างๆที่ข้างๆอยู่ในใจแต่พอเรานอนไปหลับไปแล้วพอตื่นขึ้นมาเหตุการณ์ต่างๆที่เราไปทำมาในในตอนกลางวันนี้มันก็อาจจะหายไปจากใจ มันก็เลยไม่มีอะไรมารบกวนการทําใจให้สงบการทําสมาธิหลังจากตื่นนอนแต่เช้าด้วยนี้จะทําให้จิสตสงบง่ายกว่าคุณสายสุนีคุณครับบอ่าคนที่สวดมนต์ทาสมาธิทุกวันแต่ยังเชื่อในเรื่องที่พิสูจน์ไม่ได้ชอบตีหวยจากความฝันและชอบโน้มน้าวคนอื่นให้คล้อยตามในเรื่องที่ตนเชื่อถือว่ามีศรัทธามั่นคงต่อพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อย่างแท้จริงไหมคะ คือยังเชื่อแบบไม่มีปัญญาถ้าเชื่อแบบมีปัญญานี่จะเชื่ออย่างเดียวก็คือเชื่อกดแห่งกรรมที่เป็นเรื่องจริงดังนั้นก็ไปเรื่องปลอนมนั้นลูกกุณใดยานะครับลูกที่เกลียดบุพการีเกิดจากกรรมอะไรคะมีวิธีแนะนําลูกเหล่านั้นอย่างไรครับเก็การเปลี่ยนนี่มันก็มีหลายสายเหตุด้วยกัน เกลียดเพราะว่าเขาโวดร้ายกับเราท่ารนกับเราไม่มีความเมตตากับเราก็อยู่ที่ร่าบุพกรารีนี้มีความโหดร้ายท่ารุนกับลูกหรือไม่เขาเขาโกรธได้หรืออาจจะเกิดจากการเป็นศัตรูกันมาในอดีตชาติเคยโกรธเคยเกลียดกันมาตั้งแต่ในอดีตชาติพอได้มาเกิดอยู่ในครอบครัวเดียวกันก็ก็ก็ยังเกิดความโกรธความเกลียดต่อต่อกันได้ งั้มันก็เป็นเรื่องของวิบากรรมที่วิธีที่จะแก่ก็ต้องหัดมาเจริญเมตตาคือต้องมีใจที่รักผู้อื่นเอื้อเฟื้อเพื่อเอืฟเผื่ อ, อ, อ, อแพ่กับผู้อื่นมีความปรารถนาให้ผู้อื่นมีความสุขอันนี้ต้องบังคับใจเพื่อระ ง, งับความโกรธความเกลียด คุณจีจีสมัยครับบ อ, อกว่าแล้วเรื่องกรรมพิสูจน์ได้จากการนั่งสมาธิหรอคะนั่งไปดูได้จริงหรอคะเรื่องของกรรมนี้มันมีหลายระดับด้วยกันถ้าในระดับจิตใจนี่เราก็พิสูจน์ได้จากการนั่งสมาธิพอเวลาไม่ได้นั่งสมาธิจิตใจมันก็คิดตรงนีง้คิดตรงนี้ก็วุ่นวายไปหมดเกิดความทุกข์ใจไม่สบายใจบางทีเครียดจนก็นั่งกินไม่ได้นอนไม่หลับแต่พอนั่งสมาธิ ทำจิตให้สงมาหยุดคิดได้ความเครียดความฟุ่งสั่นต่างๆก็หายไปก็เห็นทัดชัดทันทีว่าเนี่ยกรรมเนี่เป็นผู้ที่สร้างความทุกข์ให้กับใจพอเราหยุดคิดได้ความทุกข์ต่างๆก็หายไปอันนี้เราพิสูจน์ได้ในขั้นของของความคิดที่มีอยู่ในจิตใจของเราส่วนในเรื่องของการที่มีผลเกิดกับร่างกายของเราเนี่ ถ้าเราไม่มียาอย่างทราบอาดิตชาตินี้เราก็ไม่รู้เราก็เพียงแต่สรุปได้ว่าสิ่งเ็วร้ายต่ตางๆที่เกิดขึ้นกับเราส่วนหนึ่งมันก็เกิดจากการกระทำบาปของเรามาในอดิตชาติก็สรุปได้เท่านั้นเองอย่างที่เห็นชัดก็คือใจเห็นที่มีอยู่ในใจของเราคำ ท, ที่เราทำด้วยความคิดปรุงแต่งของเราถ้าคิดเป็นทาที่ดีใจของเราก็มีความสุข ถ้าคิดไปในทางที่ไม่ดีใจของเราก็มีความทุกข์ถ้าหยุดคิดได้ใจเราก็ว่าจะเย็นจะสบายคุณเล็กเล็กเ ล, ก, เลกครับกราบบรมสการพระอาจารย์และสวัสดีคุณหมอค่ะสอบถามเวลานั่งสมาธิแล้วจะนั่งหลับเป็นประจำอยากทราบพิธีแก้ไขค่ะกราบขอบคุณค่ะเราไปนั่งที่น่าตัวนั่งดูคนะถ้ามีวัดอยู่ใครบ้านก็เราไปนั่งที่เมนดู ถ้าอยู่ในที่มันน่ากลัวแล้วจิตมันจะตื่ตัวขึ้นมานทันทีถ้านั่งอยู่ในที่ปลอดภัยนี้มันก็จะไม่มีความตื่นตัวไม่มีความกลัวดนั้นอันนี้ก็วิธีหนึ่งอีกวิธีหนึ่งที่จะทําให้ไ ม, ไม่ไม่หลับก็คืออยากกินข้าวอดข้าวอยู่สักวันสองวันพอมันหิวแล้วมันก็จะไม่หลับเลยแต่ถ้ามันอิ่มแล้วหนังเท้องมันเต็มน้ําตาลก็จะหยอ่อนอันนี้ก็คือวิธีแก้วความงม่วง สำหรับผู้ปฏิบัติธรจากคุณแม็กทีีครับหลวงพอ่อหลว ง, งพ่อเจ้าคะคำว่าเจ้ากรรมนายเวรจะอยู่ในรูปแบบพ่อแม่หรือลูกได้ไหมเจ้าคะได้ทุกคนอดีตชาติเราอาจจะเคยมีปัญหากันมาแล้พอดีชาตินี้เราได้มาเกิดเป็นพ่อเป็นแม่เป็นลูกกันแต่ความโกรธเกลียดมันก็ยังฝังอยู่ในใจของเรา คุณเพียงเพนครับฟังธรรมะไปด้วยนั่งสมาธิไปด้วยได้สติสมาธิไหมคะถ้าฟังธรรมนี้มันจะได้ปัญญาได้ความรู้แล้วก็ได้ความสงบแต่ไม่ได้ความสงบระดับของสมาธิคือเข้าไปในฌานถ้าต้องการให้จิตเข้าไปในฌานนี้ต้องดูลมหายใจเข้าออกเพียงอย่างเดียวหรือพุโทโธพุโทโธเพียงอย่างเดียวไม่ควรจะฟังธรรม พระเดลิเคยซิดรัมนะครับขอโอกาส ค, คนรับรับผมเคยฝันฝันอยู่ก็กำหนดเดินจงกรมในฝันเห็นเท้าเคลื่อนและกลับมาดูลมจิตตอบกลับว่าหลับอยู่จึงกำหนดให้ตื่นดูลมหายใจตามจากนั้นเห็นจิตออกจากะวังคือตื่นตอนลมหายใจเข้าอย่างนี้คือสติในฝันใช่ไหมครับะอาจารย์อันนี้ก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าเป็นอะไรก็เราก็ขอให้รู้ว่ามันเป็นอย่างนี้ก็แล้วกัน มันดีหรือไม่ดีดูตรงนั้นดีกว่ามันมีประโยชน์หรือไม่มีประโยชน์ดีกว่ามันจะเป็นอะไรไม่สําคัญถ้าบอกว่ามันเป็นประโยชน์กับเราต้อเป็นโทษกับเราถ้าเป็นประโยชน์กับเราก็เอามาใช้ต่อถ้าเป็นโทษกับเราก็อย่าไปใช้มันคุณประชาชนค น, ก, นกลางครับกลาบพระอาจารย์ครับจิตจากโลกทิพสั่งการกายอย่างไรครับกลาภครับคุณครับก็ผ่านทางกระแสจิตเนี่ยที่เรียกว่าวิญญาณ กับความคิดปรุงแต่งเหมือนกับเวลาที่เราส่งญาณอวากาศไปนอกโลกเนี่ยเราก็ใช้คําสัมผ่านทางขึ้นสัญญาณวิทยุอันนี้ก็เป็นงานจิตก็ใช้กระแสญญจิตเป็นผู้สั่งการมาที่ร่างกายได้มาใช้เป็นกระแสญญจิตเป็นผู้รับรูปเสียงกลิ่นไปที่ใจกระแสอันนี้เราเรียกวิวญญาณวิญญาณในขันห้าคือ โสวตวิญญาณวิญญาณที่มาเกาะที่ตาอจาจักขุวิญญาณวิญญาณที่มาเกาะที่ตามารับรู้โน้ตโสตะก็วิญญาณที่มาเกาะที่หูมารับรู้เสียงส่วนสังขารความคิดปูแต่งก็เป็นผู้สั่งการให้ร่างกายทําอะไรต่างจักขุอาทิตยาครับพระสูตรหนึ่งระบุว่าทําบุญกับสัตว์ได้อันิสงส์น้อยสุดเทียบกับอย่างอื่นรู้สึกเสียกําลังใจในการทําทาน ว่าช่วยสัตว์ตกยากทั้งปียังไม่เท่าให้ทานปุถุชนคนทุศีนแค่ครั้งเดียวคนเข้าใจบริบทนี้อย่างไรครับคือต้องเข้าใจว่าการทําบุญทําทานนี้มีประโยชน์สองส่วนประโยชน์ที่เกิดกับผู้ให้และประโยชน์ที่เกิดจากผู้รับมันมีสองส่วนด้วยกันหรือประโยชน์ที่จะได้รับได้จากผู้รับประโยชน์ที่เกิดจากการให้นี้ ผู้ให้นี้ได้ประโยชน์นะคือได้ความสุขใจให้ใครก็ได้นให้พระให้คนธรรมดาให้สุนัขนี่เมื่อเราให้เขาแล้วเรารู้ว่าเราได้ช่วยเหลือเขาให้เขามีความสุขมันก็จะทําให้เราเกิดความสุขขึ้นมาในใจเราอันนี้ได้เท่ากันผลที่เราจะได้รับจากการให้ของเราจากการกระทําของเราต่อผู้อืน่นนี้ไม่ว่าผู้อือ่นจะเป็นใครก็ตามนี้เราจะได้รับความสุขเหมือนกัน อันนี้คือบุญชนิดหนึ่งที่เกิดเกิดกับผู้ให้ผู้กระทาบุญส่วนมีบมุญอีกชนิดหนึ่งที่ผู้กระทาบุญจะได้รับจากผู้ที่รับบุญจากเราคือเราไปทําบุญกับสุนัขมันก็ห่าให้เรามันก็แสดงอาการดี อ, อกดีใจอันนี้มันก็ให้เราของเราได้เทา่านี้ถ้าเราไปทําบุญกับพระอริยเจา้า ท่านก็จะสอนทำมาให้กับเราอันนี้ก็เป็นบุญอีกระดับหนึ่งที่เราจะได้รับจากผู้ที่เราไปถังบุญด้วยนี่คือประโยชน์ที่เราจะได้รับมีสองแด้งด้วยกันประโยชน์อันแรกก็คือเกิดจากการให้ของเราให้ใครเราก็ได้ประโยชน์ได้ความสุขส่วนประโยชน์ที่เราจะได้รับจากผู้รับนี้ ผ, ผู้รับนี้ต้องอยู่ที่ความสามารถของผู้รับว่าเขามีอะไรให้เราถ้าให้สุนันสุนัขก็ช่วยเหา เฝ้าบ้านให้เราเลี้ยงดูสนุนัถ้าเราไปทําบุญกับพระอริยะท่านก็จะให้ธรรมะ ก, กับถ้าเราทําบุญกับคนที่ก็เป็นแพทย์อ่เช่นะทําบุญกับคุณหมอนี่คุณหมอก็จะมีความรู้ทางแพทย์ให้กับเรางั้นแต่ละคนนี่จะมีความสามารถตอบแทนบุญคุณให้กับเราต่างกันไปตามความสามารถของเขาจากคุณแทคิทังครับ การเจริญสติสามารถทำพร้อมไปกับการนั่งสมาธิได้หรือไม่หรือควรทำแยกกันครับเเวลาสมาธิก็ต้องทำสติไปด้วยจิตถึงจะสงบได้แต่ที่ให้ทำสติก่อนมานั่งก็เพราะว่าถ้ามานั่งแล้วก็มาทำสตินี่มันจะไม่มีกำลังพอที่จะทำให้จิตเป็นสมาธิได้เพราะว่าจิตเป็นคิดอยู่เรื่อยเรื่อยอยังเราจึงต้องทำสติก่อน เมือกับเวลาที่เราเบรกรถยนต์นี้ถ้าเราต้องการให้รถหยุดนี่เราไม่ได้มาเหยียบเบรกตอนที่ตรงจุดที่เราต้องการให้มันหยุดใช่ไหมเราต้องเหยียบเบรกก่อนให้มันนวดมันชะลอตัวลงแล้วก็มาหยุดตรงจุดที่เราต้องการ ELLER เช่นสีแยกไฟแดงไม่ใช่มาถึงสีแยกไฟแดงแล้วค่อยเหยียบเบรกมันก็หยุดมันก็ไม่หยุดเท่นั้นเองฉะนั้เวลานั่งสมาธิเราก็ break, เหยียบเบรกแล้วก็เจริญสติแต่ถ้าเรามาจเจริญสติตอนที่เรามานั่งสมาธินี้ นั่งไปนานเท่าไรมันก็ไม่สงบเพราะมันไม่มีกำมันไม่มีกาลังพอโดยจะสงบก็ต้องใช้เวลานา น, านแต่ถ้าเราฝึกสติมาเรื่อยๆก่อนพอถึงเวลาจะมานั่งสมาธิมันก็สงบง่ายๆได้เร็วจักคุณมามมี่แปดสามห้าเก้าเอนโอครับกราบน้ำรัสการ์พระอาจารย์และสวัสดีคุณหมอเรียนถามพระอาจารย์ค่ะแม่อวยพร ล, ลูกเวลาทำสิ่งดีๆ ลูกจะได้รับสิ่งที่แม่อวยพรไหมคะไม่หรอกเป็นการให้กําลังใจนั่นเองเป็นการให้กําลังใจว่าทําความดีคนทําต่อไปส่วนความผลของความดีนี่มันจะมาตามเวลาของมันถ้าเราทําดีอย่างน้อยเบื้องต้นเราจะมีความสุขอาจจะมีผลตอบแทนอย่างอื่นตามมาอาจจะได้รับการยกย่องสรรเสริญ อาจจะได้รับนำมี่รางวัลก็ได้หรืออาจจะไม่ได้ก็ได้เพราะมันเป็นของไม่แน่นอนจากพระเดลี่คริสตินรัมนะครับเขออาอ่านครับบางครั้งจิตที่ลบหลู่ครูบาอาจารย์เกิดขึ้นมาโดยไม่ได้ตั้งใจครับจะแก้จิตยังไงครับและบางครั้งก็เผลอคิดดูหมิ่นหมูเพื่อนคิดว่าตัวเองดีกว่าเขาก็ควรสอนใจว่าเป็นสิ่งที่ไม่ควรที่จะทา เวลาคิดขึ้นมาก็ห้ามจิตห้ามใจว่าอย่าไปทำมันไม่ดีหรือถ้าเป็นไปได้ก็ถ้ามีวิธีลงโทษได้ก็ลงวิธีลงโทษดูทุกครั้งที่เราไปไปม่เป็นผู้อื่นก็เราห้ามไม่ให้มันกินข้าวสักมือหนึ่งดูอดข้าวสักวันหนึ่งดูถ้าถ้ามีการลงโทษมันอาจจะมีความเข็ดหลากก็ได้ถ้าไม่มีการลงโทษมันก็อาจจะไม่เข็ดหลัก ถ้าต้องการผลก็อาจจะต้องมีมาตรการลงโทษให้มันกลัวไม่กล้าที่จะไปทำในสิ่งที่เราไม่ต้องการให้มันจากคุณปองพลครับอาจารย์ครับกับผมขออนุญาตสอบถามครับเรื่องกามครับบางครั้งบางเวลามันจะมีอารมณ์ความอยากในการที่ต้องช่วยตัวเองจะมีวิธีอะไรที่จะระงับหรือว่าช่วยให้อารมณ์ในการ ม, มันเบาลงครับอาจารย์เราต้องพิจารณาดูส่วนที่ไม่สวยงามของร่างกาย อย่าไปดูเฉพาะส่วนที่สวยงามเช่นอย่าไปดูประกวดนางงามอย่าไปดูภาพยนตร์ที่มีสาวสวยๆหรือมีชายหล่อๆนี้เห็นแล้วมันก็จะทำให้เกิดอารมณ์ลองไปหันดูซากศพดูบ้างดูอวัยวะต่างๆที่มีอยู่ในร่างกายบ้างพยายามสร้างภาพเหล่านี้ขึ้นมาให้มันติดอยู่ติดตาติดใจเวลาที่เกิดการอารมณ์เราก็นึกถึงภาพเหล่านี้ขึ้นมา มันก็จะทำให้การมาลงนี้ระรับดับไปได้จากคุณ NPR นในยันนาชานะครับกราบถามผมเป็นลูกชายมีศรัทธาในการบวชในการปฏิบัติเพื่อละแต่รู้สึกยังตอบแทนพ่อแม่ท่านไม่ได้มากพอดั่งตั้งใจจึงรู้สึกเป็นทุกข์ครับเป็นพระจะตอบแทนได้ครบทุกด้านเท่าโยมีศีลจริงหรือครับ เราถ้าเป็นพระได้นี่จะตอบแทนบุญคุณคพ่อแม่ที่ดีที่สุดให้สิ่งที่สูงสุดในโลกนี้คือถ้าเราบวชเป็นพระแล้วเราปฏิบัติไปถึงนิพพานได้เราก็สามารถเอานิพพานนี้มาฝากพ่อฝากแม่ได้เช่นหลวพุทธเจ้าหลวงพุทธเจ้านี่หลังจากที่ไปบวชหกปีก็ตัดสรู้บรรลุถึงพระ น, นิพพานเสร็จแล้วลก็เอานิพพานนี่มาแจกให้พ่อให้แม่ให้ญาติให้พี่น้องกันเต็มไปหม การดวชนี่แหละเป็นวิธีที่จะตอบแทนบุญคลให้กับทุกทุกบุคคลได้ดีที่สุดเพราะจะได้สิ่งที่ดีที่สุดมาตอบแทนนั่นเองจากคุณเม็กทีวีครับหลวงพ่อคะพอเราตื่นมานั่งสมาธิเลยโดยที่เรายังไม่ได้อาบน้ำล้างหน้าจะบาปไหมคะไม่บาปเลยทำได้เลยเป็นเรื่องของจิตใจไม่ใช่เป็นเรื่องของร่างกาย คุณชัญยพัฒนอริยะพงศ์พักดีนะครับกราบรบรรดสการพระราจาสุชาติค่ะลูกนั่งสมาธิโดยวิธีสวดมนต์บทพระชินบัญชรในใจไปเรื่อยๆจะถือว่าเป็นการนั่งสมาธิไหมคะและผลที่ได้จะมีความต่างกันกับการภาวนาพุโทโธไหมคะกราบขอบพระคุณค่ะก็จะได้ความสงบต่างกันการสวดมนต์นี้เป็นการทําให้ใจสงบในขั้นต้นๆคือให้ระงับความคิดถุงแตกให้น้อยลงให้เบาลง แต่ยังไม่สามารถทําให้จิตรวมเป็นสมาธิเป็นหนึ่งได้ถ้าต้องการให้จิตรวมเป็นหนึ่งนี้ต้องใช้กรรม บ, บริกรรมพุทโธดูดูลมหายใจเข้าออกแต่ถ้ายังทําพุทโธไม่ได้ยังดูลมหายใจเข้าออกไม่ได้ก็ต้องอาศาัยการสวดมนไปก่อนก่อใจให้มันมีสติมากขึ้นเพื่อที่จะได้เพ่งนึื บ, บริกรรมพุทโธออกไปได้ คุณสาะดีครับขอถามพระอาจารย์และคุณหมอนะคะเกิดอุบัติเหตุรถชนเลือดออกที่ผิวสมองส่วนกลางทั้งตอนเกิดเหตุอยู่โรงพยาบาลกลับบ้านจําเหตุการณ์อะไรไม่ได้เลยคะ่ะเป็นเพราะขาดสติหรือเปล่าคะอ๋อนี่อาจจะเป็นเรื่องของทางสมองนะเพราะว่าสมองนี่เป็นผู้ที่สามารถที่ที่เก็บความจำอะไรต่างๆไม่ได้ส่วนหนึ่งถ้เวลาสมองไม่ทํางานนี่เราก็อาจจะไม่จำอะไรต่างๆไม่ได้ แต่พอถ้าสมองได้ฟื้นคืนกลมากลับเป็นปกติความจําต่างๆก็จะกลับขึ้นมาได้คุณทักทิคีังครับหากนั่งสมาธิแล้วจิตออกไปเที่ยวจะต จ, จ, จากนิมิตต่างๆควรรีบดึงใจกลับมาหรือดูไปเรื่อยๆครับแล้วนิมิตเป็นสิ่งที่ขัดขวางการปฏิบัติหรือไม่ครับควรทําเช่นไรครับถ้านั่งสมาธิให้จิตสงบก็ไม่ควรที่จะไปตามนู่นนิมิตต่างๆ ให้เดินกลับมาให้ใจยอยู่กับพุโทโธและอยู่กับลมหายใจเข้าออกต่อไปแสดงว่าใจ ย, ยังไม่สงบเต็มที่ถ้าสงบเต็มที่แล้วจะไม่มีนี้ไม่ปรากฏขึ้นมาจะมีแต่ความว่างคุณปอมครับกราบนััส ก, การถามพระอาจารย์ครับศีล ส, สมาธิปัญญาเราควรจะต้องเริ่มจากการราักษาศีลให้บริสุทธิ์ก่อนที่จะเริ่มทาสมาธิหรือไม่ครับ หรือว่าสามารถเริ่มจากสมาธิก่อนได้เลยครับกออ็ควรจะทำไปพร้อมๆกันแต่เพราะว่าสมาธินี้ศีล จ, จะสนับสนุนการทำสมาธิให้เกิดขึ้นได้ง่ายส่วนสมาธิก็จะทำให้ปัญญานีนมีพลังที่จะฆ่ากิเลสได้ดังนั้นการปฏิบัติควรจะปฏิบัติไปพร้อมๆกันเลยศีลก็รักษาไป สมาธิก็นั่งไปปัญญาหลังจากออกสมาธิก็เจริญปัญญาไปสามารถปฏิบัติไปพร้พอมๆกันได้คุณกรีนการเด่นครับนักวิชาการพระอาจารย์ค่ะลูกชายอยากทราบว่าทําไมบางคนเมื่อเสียชีวิตแล้ววิญญาณยังไปเกิดไม่ได้แต่บางคนไปเกิดได้ทันทีเป็นเพราะอะไรคะหรือเป็นเพราะว่าคนที่ยังไปเกิดไม่ได้ยังมีห่วงปิดค้างในใจ <c oughs> คือการจะไปเกิดเป็นมนุษย์ต่อไปนี้มันขึ้นอยู่กับหลายปัจจัยด้วยมันปัจจัยนี้ก็อยู่ที่บุญที่บาปเราทําไว้การที่ถ้าเราทําตายไปแล้วเวลาเราตายเรามีบุญมากกว่าบาปนี่บุญก็จะดึงเราไปเกิดเป็นเทวดาก่อนยังไม่ได้เปิดเป็นมนุษย์จะเกิดมาเป็นมนุษย์ได้ก็ต้องตอนที่ใจบาปกับบุญในใจเรามันมีกําลังเท่ากันไม่สามารถดึงไปทิศทางใดทางหนึ่ง เช่นบุญก็ไม่สามารถเดินไปทางสวรรค์ได้บาปก็ไม่สามารถเดินไปทางาบาลาได้ตอนนั้นใจก็จะไปเกิดเป็นมนุษย์ส่วนสาเหตุอีกสาเหตุหนึ่งที่อาจจะทําให้ยังไม่ไปเกิดทันทีถึงแม้ว่าบุญกับบาปจะเท่ากันพร้อมที่จะไปเกิดเป็นมนุษย์ได้ก็อาจจะเป็นเพราะความความยึดติดอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งนั่นเองก็อาจจะทําให้ อ, อยังไม่ไป ไปเกิดเป็นมนุษย์ได้คุณจีจีสมัยครับปาจา์ครับมีทำ Youtube สอนนั่งสมาธิไหมคะและถ้าเราอยากจะเอาทั้งนั่งเพื่อสงบสุขทางใจและอยากพิสูจน์เรื่องกรรมในอดีตว่ามีอยู่จริงไหมเราเคยทำไว้กับคนไม่ดีเขาจึงมาทำเราเดือดร้อนว่าจริงไหมอย่างนี้มีสอนไหมครับคือเรื่องเราที่ไม่น่าจะเป็น เ, รนะเพราะว่ามันไม่ไม่ไม่ใช่ประเด็นสาคัญ ประเด็นสำคัญของการปฏิบัติธรรมธรรมพุทธศาสนานี้เพื่อมาดับความทุกข์ทางใจของเราอันนี้เป็นสิ่งที่เราควรจะสนใจให้มากกว่าดีมากกว่าไปสนใจเรื่องอดีตว่าใครเป็นอะไรทําอะไรมาของเรามันไม่เป็นมันไม่เป็นประโยชน์อะไรมันไม่สามารถม า, าระงับความทุกข์ในใจของเราได้ดังนั้นเรามาปฏิบัติเพื่อม า, าระงับความทุกข์ในใจของเราดีกว่า โดยการศึกษาว่าเหตุของความทุกข์เกิดจากอะไรพระพุทธเจ้าแสดงว่าเหตุของความทุกข์เกิดจากความอยากสามประการความอยากในรูปเสียงกลิ่นรสที่เรียกว่าการมาตันหานี่เป็นเหตุที่ทาให้ใจเราทุกข์ความอยากมีอยากเป็นทำให้เราใจเราทุกข์ความอยากไม่มีอยางไม่เป็นเช่นอยากไม่ไม่เป็นคนจนอยากไม่เป็นคนแก่อยากไม่เป็นคนเจ็บไม่อยากเป็นคนตาย เวลาเป็นมันจะทําให้เราทุกข์ขึ้นล่หาวิธีมาแก้มันดีกว่าวิธีที่จะแก้ความทุกข์เหล่านี้ต้องลาความอยากตรงนี้วิธีจะเยละความอยากล่านี้ก็ต้องใช้การปฏิบัติศีลสมาธิปัญญานี่ถ้าเรามาสนใจวิธีดับความทุกข์ดีกว่าอย่าไปสนใจกับเรื่องเรื่องอย่างอื่นเพราะมันไม่ได้มาแก้ปัญหาที่ที่แท้จริงของเราปัญหาที่แท้จริ ง, งเราก็คือความทุกข์ใจของเรานี่ คุณพีทนะครับกราบพรมรรการพระอาจารย์ครับกับผมเป็นหมอนรองกระดูกที่หลังพอนั่งสมาธิตนานสามนาทีขึ้นไปจะเกิดอาการปวดหลังมากเข้าสมาธิไม่ค่อยได้จิตไม่สงบมีวิธีแก้อย่างไรครับผมก็พยายามฝึกสติให้มากถ้ามีสติมากนี่นั่งเพียงห้านาทีก็เข้าสึ่สมาธิได้ยังก่อนจะมานั่งนี้พยายามฝึกสติให้มากๆคอยควบคุมจิตอยให้ไปคิดเรื่องราวต่างๆ ให้กินอยู่แต่คำบริกรรมพุโทโธพุโทโธไปเพียงอย่างเดียวเลยให้เฝ้าดูการเคลื่อนไหวต่างๆของร่าง ก, กายในทุกอิริยาบถถ้าเราทำาให้ได้เวลานั่งสมาธิเราสามารถเข้าสมาธิได้ภายใน5นาที10นาทีพอเข้าไปแล้วทีนี้จิตจะไม่สนใจกับอาการเจ็บปวดของร่าง ก, กายสามารถนั่งได้นานคุณรัฐลาศีครับ คนที่ฆ่าตัวตายเป็นบาปไหมคะบาปเหมือนกันว่าเป็นการกระทําที่โหรดร้ายทารุณแล้วก็เป็นการเบียดเบียนผู้อื่นนั่นตนเองถือว่าเป็นการกระทำบาปจะทําให้เกิดความทุกข์ใจมากเวลาฆ่าคนอื่นแล้วฆ่าตนเองคุณแม็กซทีวีครับบอกว่ากราบของพ่อเจ้าค่ะขอถามหลวงพ่อ ว, ว่าถ้าลูกไม่ดูแลพ่อแม่ วันข้างหน้าพอเขามีลูกบ้างลูกจะดูแลเขาหรือเปล่าคะก็มันไม่แน่เลยเพราะว่าลูกคนลราแต่และคนนี่มีจิตสํำนึกไม่เหมือนกันบางคนนี้ก็มีจิตสํำนึกมีความกรตันยูนกตเวทีเขาก็จะดูแลพ่อแม่ของเขาถึงแม้ว่าพ่อแม่ของเขาไม่ไปดูแลพ่อแม่ของเขาก็ตามแต่คนที่มีจิตสํำนึกที่ดีเขาก็จะทําตามจิตสํำนึกของเขา แต่คนที่ไม่มีจิตสำนึกที่ดีเขาก็จะไม่ดูแลพ่อแม่เับแต่คนที่เป็นกลางๆ ก, ก็อาจจะอาศัยดูตัวอย่างของผู้ถ้าเห็นพ่อแม่ดูแลผู้พ่อแม่ของเขาก็อาจจะทําให้ตนเองอยากจะดูแลพ่อแม่ของตนก็ได้ดังนั้นคนเรามันไม่แน่นอนมีอุปนิสัยไม่เหมือนกันบางคนมีจิตมีอุปนิสัยที่ดีบางคนมีอุปนิสัยที่ไม่ดีบางคนมีอุปนิสัยกลางๆ คนที่เป็นกลางเนี่ยจะจ ะ, จะอาศัยที่ต้นของผู้อื่นเป็นทูตชี้บอกแต่คนที่มีอุปนิสัยแรงทางดีหรือทางไม่ดีมักจะไปทำตามอุปนิสัยของตนคำถามจากคุณปองพลครับขออนุญาตสอบถามอีกครับอาจารย์เวลาผมนั่งสมาธิมันจะมีแสงสว่างวาวๆพุ่งขึ้นมาตรงกลางหน้าผากครับแล้วก็ตัวเบามากๆเลยครับเกิดจากอะไรครับอาจารย์ ไม่ต้องสนใจว่ามันเกิดจากอะไรไม่ต้องไปสนใจการปรากฏการของมันให้เราอยู่กับลมแอยู่กับอยู่กับพุทโธ ท, ที่เราใช้เป็นเครื่องกรอบใจต่อไปให้มันเข้าสู่ความสงบเข้าสู่ความว่างจะดีกว่ามารู้แล้วมันก็ไม่เกิดมันก็ไม่ได้ทําให้เราได้ผลจากการนั่งสมาธิของเราเนีได้กลับมาที่ลมหายใจหรือกลับมาที่อารมณ์ที่เราใช้ควบคุมใจจะเป็นพุทโธเวลานัลนจะเป็นการดูลมหายใจก็ได้ เพราะเราต้องการให้ใจเข้าสู่ความสงบเข้าสู่ความว่างต่อไปจากคุณเครือข่ายสายชนชนบุรีนะครับกราบนระพุารพระอาจารย์และสวัสดีคุณหมอวีค่ะกราบขอความเมตตาจากพระอาจารย์ช่วยชีย้แนะแนวทางในการลดสังคมตีตราและเลือกปฏิบัติต่ตอผู้ติดเชื้อโควิด -19 และเอชไอวีเอชวิธ ร, รมะเจ้าค่ะกราบขอบพระคุณอย่างยิ่งค่ะวิธามะก็คือเราไปเปลี่ยนคนอื่นไม่ได้ เิ่งที่เราเปลี่ยนไก็คือตัวเราเราก็จะไปสนใจคนอื่นก็จะเป็นไงดีชั่วก็เรื่องของเขาพในโลกนี้มันเป็นอย่างนี้ในโนกนี้นมีคนคุกคากันมีทั้งดีมีทั้งชั่วมีทั้งคนที่เลือกปฏิบัติต่อคนอื่นดังนั้นเราไปห้ามเขาไม่ได้ไปเปลี่ยนเขาไม่ได้ถ้าเราพยายามที่จะไปห้ามไปเปลี่ยนโลกนี้เราจะทุกข์มากเราจะไปแบกโลกโดยใช่เหุ ให้เราเข้าใจโลกแล้วปล่อยวางโลกอย่าไปแบกโลกอย่าไปเปลี่ยนโลกเพราะเราเปลี่ยนไม่ได้ให้เราเข้าใจแล้วเราจะได้ปล่อยวางแล้วเรามาทาในส่วนที่ดีในตัวเราเรารู้ว่าไหนไม่ดีเราก็อย่าไปกระทํารู้ว่าสิ่งไหนที่ดีเราก็ทำไปส่วนของเราเท่านั้นเองเรื่องของคนอื่นนี้เราไปเปลี่ยนเขาไม่ได้ จากคุณดาราครับผู้ระลึกชาติได้เกิดจากบุญอะไรคะก็เกิดจากการนั่งสมาธิที่ได้อุปจารสมาธิสมาธินี้มีอยู่ 3. ชนิดด้วยกันคณิกาสมาธิอัปปนาสมาธิและอุปจารสมาธิคณิกากับอัปปนาสมาธินี้เหมือนกันคือจิตนิ่งสงบเป็นอุเบขาต่างบันตงที่สั้นหรืยาวถ้าสั้นก็เรียกว่าคณิกา ถ้ายาก็เรียกว่าอัปปนาสมาธิส่วนจิตเองชนิดอย่างนี้สมาธิชนิดหนึง่งคือจิตที่สงบแล้วไม่นิ่งไม่อยู่เฉยๆออกไปรู้เรื่องราวต่างๆเช่นการลเรื่องชาติได้การติดต่อกับกายทิพยได้นี้เราเรียกว่าอุปจารสมาธิคุณรงและยองครับเคยนั่งสมาธิแล้วรู้สึกจิตนิ่งมากรู้สึกหันไปทางไหนก็จะเห็นทะลุกออกไปภายนอกได้ แบบนี้เรียกว่าอะไรครับมันเกิดขึ้นครั้งเดียวเราไม่เคยทําได้อีกเลยครับมันมันก็เป็นอย่างนั้นนแะบบก็เกิดจากการที่เราทํานั่งสมาธิทําใจให้นิ่งนี่มันก็เกิดผลขึ้นมาอย่างนี้แต่เราไม่ควรสนใจผลแบบนี้ส่วนผลที่เราต้องการจากการนั่งสมาธิคือจิตให้จิตนิ่งเป็นนานให้มีความสุขให้มีความสบายจากความสงบอันนี้เป็นสิ่งที่เราต้องการจากการนั่งสมาธิ ส่วนอย่างอื่นนี่ถือว่าเป็นผลพลอยได้ซึ่งไม่ไม่ไ ม, ไม่ไม่สำคัญเท่ากับความสงบเพราเราสามารถใช้ความสงบนี้เป็นบาดฐานในการใช้ปัญญาเพื่อจับความทุกต่างๆให้หมดไปจากใจของเราได้ซิ่งอื่นๆไม่สามารถทําได้คุณแคทโฟนครับกราบหลวงพ่อค่ะรบกวนถามหลวงพ่อการสวดมนต์ก่อนนั่งสมาธิจําเป็นไหมคะ ถ้าเราไม่สวดมนต์แต่ทําจิตให้สงบแล้วเริ่มนั่งสมาธิได้ไหมคะถ้าเรานั่งสมาธิได้เลยก็ไม่ต้องสวดการสวดนี้สําหรับคนที่ยังนั่งสมาธิไม่ได้เรายังไม่สามารถนั่งดูลงหรือนั่งไม่สามารถอบริกรรมพุทธโธได้ก็ให้ใช้การสวดมนต์ไปก่อนเพราะความคิดยังแรงอยู่ยังคิดถึงเรื่องๆๆๆๆนี้เรื่องนี้คนนั้นคนนี้อยู่พอดูลมปั๊บเดี๋ยวก็ไปคิดเรื่องๆๆๆนี้เรื่องนี้พุทธโธ ค, คําสองคำก็ไปคิดเรื่องๆๆนี้เรื่องนี้ ก็เลยต้องให้ใช้การสวดมนต์ก่อนเพราะเวลาสวดมนต์นี่มันก็เป็นเหมือนกับการใช้ความคิดอีกอย่างหนึง่งแต่เป็นความคิดที่จะทำให้ใจว่างใจสง บ, บต่อไปได้คาถามจากคุณโยโยโ อ, โอครับกราบน้ัสก า, ารพระอาจารย์ครับถ้าจิตสุดท้ายก่อนดับเผลไปติดอยู่กับเรื่องที่ไม่ดีแบบนี้จะแย่ไหมครับขอบระคุณครับจิตจะเพล่เพ่อยู่ที่การฝึกของเรามาตั้งแต่ตั้งแต่ ก่อนที่เราจะตายเวลาจะตายมันจะเป็นไปแบบอัตโนมัติมันเคยคิดอย่างไรมันก็จะคิดอย่างนั้นมันไม่คิดอย่างไรมันก็จะไม่คิดอย่างนั้นงั้นเราต้องออามาฝึกก่อนซ้อมไว้ก่อนซ้อมจิตให้ดีให้คิดแต่เรื่องที่ดีแล้วมันจะไม่มีวันเผลอที่จะไปคิดเรื่องไม่ดีคุณธนพัฒน์ครับกราบเรียนถามพระอาจารย์ถ้าเราปฏิบัติในห้องแอร์จะได้ผลไหมครับก็มีส่วน เพราะว่าอากาศนี้มันก็สามารถที่จะเป็นอุปสรรคได้หลือสนับสนุนได้ถ้าอากาศน้อยเกินไปนั่งแล้วมันไม่สบายมันก็อา จ, จะทําให้ตั้งสมาธิได้ายากถ้าอากาศมันเย็นแล้วสบายมันก็จะทําให้จิตสงบได้ง่ายขึ้นก็ได้แต่ต้องระวังตรงที่ว่าถ้าเราไปต็น เครื่องปรับอากาศเวลาที่เครื่องปรับอากาศมันเสียหรือเวลาไม่มีไฟฟ้านี่เราจะนั่งไม่ได้เลยพยายามหาวิธีอื่นที่มันไม่ต้องอาศัยเครื่องเครื่องดีกว่าคืออาศัยธรรมชาติดีกว่าอยู่แบบธรรมชาติถ้ามันร้อนตรงนี้ก็ลองออกไปท่าในใยห้องมันร้อนก็ลองออกไปนอกข้างนอกขออ้างนีดีกว่าที่จะไปอาศัยสิ่งนั้นสิ่งนี้มาอานวยความสะดวก ในการนั่งสมาธิเพราะจะทําให้เราต้องไปพึ่งเขาตลอดเวลาเวลาไม่มีเขาแล้วเราจะไม่สามารถที่จะทําสมาธิได้คุณกูตเมริสนะครับการปฏิบัติธรรมเราทําเพื่อให้รู้ว่าจิตไม่ใช่เราใช่ไหมคะเมื่อรู้แล้วก็คือจิตพระอรหันต์ใช่ไหมคะโดยการปฏิบัตินี้เพื่อดับความทุกข์ที่อยู่ในใจความทุกข์นี้เกิดจากความหลง เกิดจากความอยากความอยากเกิดจากความหลงหลงไปคิดว่าส nee ิ่งต่างๆในโลกนี ons, is, ้ให้ความสุขกับเราเมื่อเกิดความหลงว่าสิ่งต่างๆในโลกนี้ให้ความสุขกับเราเราก็เลยต้องมามีร่างกายเพราเราต้องใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือหาความสุขต่างๆนะครับจริงสิ่งต่างๆที่เราคิดว่าให้ความสุขกับเรานี้มันเป็นความสุขปลอม ความสุขที่ยกละเป็นความทุกเวลาที่มันเปลี่ยนไปเวลาที่มันจากเราไปนี่คือให้รู้ความจริงอันนี้เพื่อที่เราจะได้หยุดมาหาความสุขต่างๆจากสิ่งต่างๆในโลกนี้เมเราไม่มีความอยากได้สิ่งต่างๆในโลกนี้ใจเราเราก็จะไม่ทุกข์ใจเราก็จะเป็นพระอราันขึ้นมาจากคุณ h a p p y of life n ์เน e ร์นะครับ การบรรลุธรรมขั้นโสดาบันจะรู้ได้อย่างไรว่าเราเข้าถึงขั้นนั้นแล้วเอาอะไรมาวัดแล้วเมื่อถึงขั้นแล้วสามารถปิดอบายได้จริงไหมแล้วหากเกิดเวียนว่ายอีกจะไม่เกิดเกินเจ็ดชาติแล้วสามารถเข้าสู่นิพพานได้จริงใช่ไหมครับใช่ก็คือการบรรลุโซดาบานันนั่นจะรู้ได้ไม่ได้คือว่าเราปล่อยวางร่างกายกับปล่อยวางความเจ็บปวดของร่างกายได้หรือไม่ถ้าเราปล่อยได้เราก็จะได้บรรลุพระโซดาบานัน แล้วเราก็จะรู้ว่าความทุกข์ใจของเรานี้เกิดจากความอยากของเราอยากให้ร่างกายไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายมันก็เลยทำให้เราทุกข์แต่พอเราเห็นว่าร่างกายมันต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายแล้วก็หยุดความอยากนี้ความทุกข์ในใจก็หายไปแล้วเราก็จะรู้ว่าความทุกข์ของเราอีกส่วนนึ้งก็เกิดจากการกระทำบาปนะเวลาเรา มีความทุกข์ใจบางทีเราก็ไปกระทําบาปเพื่อบรรเทาความทุกข์ใจแต่การไปทําบาปเพื่อบรรเทาความทุกข์ใจกับไปสร้างความทุกข์ใจเพิ่มขึ้นมามากขึ้นไปเวลาเช่นเราต้องการเราเดือดร้อนเรื่องเงินทองเราก็ไปขโมยเงินทองมาพอเราไปขโมยเงินทองมาดาจะมาบรรเทาความเดือดร้อนเรื่องเงินทองแต่เราก็มาสร้างความทุกข์ใจให้เกิดขึ้นอีกพราะกลัวจะถูกไปจับไปลงโทษ เราก็จะเห็นว่าการทําบาปนี้มันไม่มันไม่เล็มันไม่คุ้มค่ากว่าสิ่งที่เราได้มาก็จะไม่ทําบาปโดยเด็ดขาดถ้าไม่ทําบาปได้ก็จะไม่ไปเกิดในอบายส่วนการจะเห็นว่าตายเกิดเอกเจตชาตินี้ก็ก็จะก็เป็นส่วนที่มันจะเกิดขึ้นได้ถ้าทําหยุดการปฏิบัติ ถ้าปฏิบัติต่อไม่ดีไม่ต้องกลับมาเกิดเลยก็ไดชาติเนี้อาจะเป็นชาติสุดท้ายก็ได้เพราะเมื่อเห็นผลจากการปฏิบัติว่าพราะตัวปัญหาก็คือความอยากกิเลสตัณหาต่างๆก็คอยกำจัดกิเลสตัณหาให้มันหมดไปเท่านั้นเองถ้ามันหมดไปก็ไม่ต้องกลับมาเกิดเลยแต่ถ้าถ้ายังมีกิเลสตัณหาอยู่มันก็จะกลับมาเกิดไม่เกิดเจ็ดชาติเป็นอย่างมากเพราะมันจะคอย คอยกาจัดกิเลสทันหาไปทุกภกทุกชาตินั่นเองพระเดลี่คริสิดดำนะครับขอโอกาสครับผมบวชตั้งแต่21เงินสักบาทไม่เคยมีเพราะที่วัดกลางสงหมดบางครั้งรู้สึกไม่มั่นคงในการบวชจิตทรงออกไปทางโลกอยากมีอยากเป็นลาบยศสันเสริญสุขจะหาอุบายเพื่อชีวิตนักบวชมั่นคงขึ้นยังไงดีครับ ก็ต้องพยายามอยู่หางไกลอย่าวัดที่มีพวกนี้อย่าไปอยู่วัดที่มีลาบลสนสนเด็ดไปอยู่ในป่าไปทุดงไปอยู่วัดป่าวัดเขาที่ไม่มีลาบสักการะไม่มียศไม่มีตําแหน่งไม่มีอะไรมีแต่ป่ามีแต่เขาไปจะได้ไปปีกวิเวกจะได้ไปทําใจให้สงบเมื่อใจสงบแล้วก็จะมีความมั่นคงต่อชีวิตของนักบวช าความสงบจะทำให้ความอยากในราบยศสารสริมสนินี้เบาบางลงไปและอาจจะหมดไปได้ถ้าเห็นด้วยปัญญาวามเป็นอนิจจังทุกขมนาตตาคุณถ้ากี่ครั้งครับบอกว่าบางครั้งนั่งสมาธิแล้วมีคนมาสอนวิธีเป็นของจริงหรือปูมแต่งจะทราบได้อย่างไรครับเวล า, านั่งสมาธิแล้วมีคนมาสอนในขณะที่เรานั่งสมาธิ มันก็เป็นจิตเนี่ยมันพูดปูแตกขึ้นมาที่ไม่สําคัญว่าใครเป็นคนสอนใครเป็นคนปูแตกสำนั้นว่าสิ่งที่เขาสอนถูกหรือไม่ถูกถ้าถูกก็เอาไปใช้ให้เกิดประโยชน์ได้ถ้าไม่ถูกก็อย่าเาไปใช้เท่านั้นเองไม่สําคัญว่าใครเป็นสอนเกิดมาจากที่ไหนยอย่างไรขอให้ดูที่ที่คําสอนของเขาว่าก็าสอนถูกต้องหรือไม่ถูกต้องถ้าไม่ถูกต้องก็อย่ากระทําตาม เราจะรู้ได้ไงว่าถูกต้องหรือไม่ถูกต้องเราก็ต้องศึกษาจากหลักที่ถูกต้องก่อนเราก็ต้องไปศึกษาจากพระพุทธพระพุะทธธรรมผสม์ให้รู้ว่าวิธีปฏิบัติที่ถูกต้องนั้นปฏิบัติอย่างไรก่อนแล้วพอมีคนมาสอนในใจเราเราจะได้ัาเปรียบ เ, เ, เทียบกันดูว่าเขาสอนถูกหรือขัดกับหลักธรรหลักธรรมคาสอนของพระพุะทธธรรมสมหรือไว้ อาจารย์ครับวันนี้คําถามในช่องเต็มเลยครับอาจารย์อคัดนอกไม่ได้เอาเข้ามาถามเลยครับผมขอจับขอบกาบอาจารย์อีกสีก่ห้าข้อนะครับ<ด>อาจารย์ครับคุณเพียงเพลนบอกว่ากาบธรรมสการพระอาจารย์ไล่ลําลดับของสมาธิในแต่ละขั้นค่ะก็ขั้นต้นก็จะได้คณิกสงงะสมาธิการจิตรวมลงแลจะสงบได้แป๊บเดียวเรียกว่าคณิกะคณิกะ ก็คือหนึ่งขณะมันจะได้หนึ่งขณะเชื่อมูลแบลบดินเวลาได้สมาธิใหม่ๆนีนจิตมันจะมีสติมีกําลังน้อยไม่พอ้อมไม่สามารถที่จะบงังคับให้จิต น, นิ่งได้นานก็จะสงบได้ถึงแป้บเดียวแล้วก็ถอนออกมาอันนี้เรียกว่ า, าทัิกาสมาธิต่อไปถ้าเราฝึกสติให้มากขึ้นมากขึ้นต่อไปเวลานั่งสมาธิมันก็จะสงบได้นานขึ้นสงบได้งานแล้วก็เรียกว่าอัปนาสมาธิ แ้วถ้าเกิดเราได้อัปปนาสมาธิถ้าเรามีวาสนาทางที่จะไปทางอทิทธิริปปะฏิหารเราก็จะ อ, ออกจากอัปปนาสมาธิออกจากความสงบออกไปเพื่อไปรับรูเรื่องราวทางโลกทิพย์เช่นไปพบกับวิญญาณต่างๆในโลกทิพย์พบเทวดาพบพระพุทธเจ้าพบอะไรต่างๆได้ในโลกทิพย์อันนี้ก็เรียกเป็นอุปจารสมาธิ อุปญารสมาธินี้เป็นสิ่งที่ไม่เกิดขึ้นกับผู้ปฏิบัติทุกคนท่าที่ได้ยินมาน้อยมากประมาณน้อยละห้าของผู้ปฏิบัติสมาธินี้จะมีความสามารถไปสู่ระดับอุปจารสมาธิได้แต่ก็ไม่สําคัญเพราะว่าอุปจารสมาธินี้ไม่สามารถสนับสนุนการเจริญปัญญาเพื่อให้บรรลุถึงพระนิพพานได้ยังมีอุปจาระสมาธิอาจจะเป็น เป็นการไปผิดทางเชื่อ้ั่มไปก็จะทำให้ถมที่ว่าเป็นเชิดที่เลิศแต่ความจริงแล้วมันไม่สามารถสนับสนุนปัญญาให้ไปถึงพระนิพพานได้หน้าที่ที่สนับสนุนให้ไปสู่พระนิพพานได้ก็คืออัปปนาสมาธิเหตนกาให้เราพุ่งเป้าไปที่อัปปนาสมาธิเวลาเรานั่งสมาธิให้จิตสงบนิ่งนานๆเป็นอุเบกขานานๆแล้วจิตจะมีกำลังที่จะทำตามที่ปัญญาสอนได้ ถ้าปัญญาบอกว่านี่เป็นทุกข์เป็นของไม่เที่ยงไม่ใช่ของเราก็จะหยุดความอยากได้ทันทีจากคุณกินข้าวกันชาแนลนะครับเอกลับเรียนถามพระอาจารย์ทำไมบางคนถึงใจดีมากๆบางคนถึงใจร้ายมากๆครับก็เป็นการทำบุญทาบาปที่ได้สะสมมาในแต่ละภพแตนลชาติคนที่ทำบาปมาอย่างต่อเ น, นื่องก็จะเป็นคนที่โหดร้ายทารณุณ คนที่ทําบุญมามากๆก็จะเป็นคนที่ใจดีี่ยอย่างนี้ก็เป็นอันส์ของผลของการทําบุญและทำบาปคนทําบุญจะเป็นคนใจดีคนทําบาปนี่จะเป็นคนใจร้ายนั่นเองจากคุณป๊อปคำครณพัฒนะครับกลาวนาพสการพระอาจารย์ค่ะเมื่อนั่งสมาธิแล้วจนคําบริกรรมพุทโธหายไปเกิดความว่างแล้วควรทํำยังไงต่อเจ้าคะรักษาความว่างนั้นไปนานๆ แม่จิตบวบ่าจิตนิ่งๆไปนานๆคุณแม็กทีวีบอกว่าตรงพ่อคะเราสวดมนต์ก่อนนอนทุกคืนเราจะได้บุญไหมคะก็ยอยู่ที่ว่าสวดแล้วใจสงบหรือไม่ถ้าไม่สงบก็ยังไม่ได้บุญบุญคือความสุขใจที่เกิดจากความสงบของใจคุณจ่าจ้าครับเอกวาจะทำอย่างไรเมื่อต้องทำงานกับคนที่ไม่รักษาศีลห้า และชักชวนเราไม่ให้ไม่รักษาสินห้าครับเราก็ต้องมั่นคงต่อการรักษาสินห้าของเราเขาจะไม่รักษาก็เรื่องของเขาเราไปห้ามเขาไม่ได้ไปบังคับเขาไม่ได้แต่เราห้ามตัวเราเองได้บังคับตัวเราเองได้มัเราต้องมีความแน่วแน่มั่นคงกับการรักษาศินของเราเพราะสินนี้จะปกป้องคุ่มครองใจของเราไม่ให้ไปเกิดในอบายนั่นเองจากคุณวิรัตครับกราบน้ำระสการครับแก่นแท้ของข่าสา ของคําสอนของพระศาสดา ค, คือหยุดการเวียนว่ายตายเกิดเพราะมันทุกข์ใช่หรือไม่ครับพุทธองค์สอนให้ปฏิบัติเพื่อให้ถึงตรงนี้ใช่ไหมครับใช่อยู่ในิยจสัตว์สีส่การเวียนว่ายตายเกิดนี่เรียกว่าเป็นความทุกข์เกิดจากตัณหาความอยากสาประการกรารมตัณหาภาวตัณหาเวิภวะตัณหาการจะหยุดการเวียนว่ายตายเกิดได้ก็ต้องใช้มรคือศินสมาธิปัญญา อานารย์ขอคำถามสุดท้ายนะครับกาบเรียนถามพระอาจารย์ค่ะคจากคุณสวิทโทมครับบอกว่นั่งสมาธิอย่างเดียวได้ไหมคะหรือว่าควรจะเดินจงกรมก่อนนั่งสมาธิคะแล้วแต่เราถ้าเรานั่งนั่งได้อย่างเดียวก็นั่งไปแต่ถ้าเรานั่งนานๆแล้วมันเมื่อยอยากจะเปลี่ยนมาเดินก็ได้อยู่ที่ว่าเราปฏิบัติมากปฏิบัติน้อยด้วยถ้ า, าปฏิบัติน้อยนั่งอย่างเดียวก็ได้แต่ถ้าปฏิบัติมากๆเช่นปฏิบัติทั้งวัน และนั่งอย่างเดียวมันก็จะไม่ไหวเพราะร่างกายันก็จะปวดด้วยก็ต้องเปลี่ยนระยาบวจากการนั่งมาเดินชมพูต่อหมดแล้วใช่ไหมสมองพุทธมิมีอีกนะครับแต่ว่าผมเก่งพระอาจารย์ีออพระอาจารย์ทัดขันแข็งแรงไหยครับเห็นไอด้วยครับผมกออ็คิดว่ า, ถ, าถ้าถ้าทาได้ก็น่าจะมีครับผมควรใจเวลานะครับผมพระอาจารย์ครับเดี๋ยวผมขอโอกาส่เรียนตัวเลขนิดนึงนะครับ ก็ในคลิปมีผู้ชมใน f a c e b o o พระอาจารย์443คน YouTube พระสุชาติไลฟ์141คน YouTube ด็อกเตอร์วี668คนนะครับ114คนนะครับมีคนฟังทำด้วยกัน 1,256 คนครับพรอาจารย์ครับสาธุอนุโมทนาทุกท่านที่เข้ามาฟังทำหวังว่าจะได้รับประโยชน์บ้างไม่มากก็น้อยก็ขอให้ท่านจงนำเราสิ่งที่ท่านได้ยินได้ฟังไปค้นพิจารณาและปฏิบัติ เพ่ความสุขความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งยิ่งขึ้นไปเธอสารานก่อนนะคุณหมออาทิตย์หน้าก็เจอกันใหม่ถ้าไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงครับอาจารครับขอบพระคุณครับโอเคต้องขออภัยทุกท่านนะครับคำถามยังมีค้างอยู่ห้าหข้อแต่ว่าหมดเวลาซะแล้วนะครับแล้วก็ เห็นพระอาจารย์ไอ้ด้วยนะก็เลยไม่กล้าเกินเวลาท่านนะครับต้องขออภัยทุกท่านด้วยนะครับแล้วก็คําถามเนี่ยถ้าค้างไว้แล้วยังยังอยู่ในในนี้เนี่ยผมก็ยังจะเก็บไว้แต่ว่าอย่างที่บอกไปว่าผมจะเอาคำถามที่มาสดๆในวันนั้นเนี่ยขึ้นมาถามก่อนเพราะฉะนั้นถ้าไม่ลําบากเกินไปครั้งหน้าถ้าอยากได้คําตอบเนี่ยก็มาแต่ต้นรายการนะครับแล้วก็รีบถามคําถามไปก่อนนะท่านจะได้รับคาตอบนะครับ จริงๆมีคำถามค้างอยู่ในช่องทางอื่นๆอีกเนี่ยไม่ต่ำกว่า5้าสิบข้อเลยนะครับแต่ว่าอ่านอ่านให้ไม่ครบจริงๆนะครับแล้วก็ต้องต้องขออภัยจริงๆแล้วผมอยากจะอ่านคำถามที่คนมารอฟังอยู่ตอนนี้มากมากกว่านะครับเพราะฉะนั้นถ้าใครที่ค้างคาอยากถามจริงๆเนี่ยเข้ามาในช่องด r v c h a n ร e l แชแล้วกดคำถามนะครับแล้วก็มาตั้งแต่ต้นมาตั้งแต่2ทุ่มนะครับ ไล่ไปเรื่อยๆเนี่ยผมจะอ่านไปตามลำดับไม่มีการข้ามใครนะครับอ่านไปเรื่อยๆจนหมดเวลาสาทุ่มครึ่งนะครับก็หวังว่าคืนนี้คงจะมีประโยชน์กับทุกท่านนะครับก็คงจะลาไปกันแค่นี้นะครับเพื่อนๆครับอย่าลืมครับผมเป็นเพื่อนของท่านคนหนึ่งท่านมีเพื่อนที่เป็นหมอ your friend is a doctor ขอให้ทุกท่านแข็งแรงและมีความสุขนะครับสำหรับคืนนี้สวัสดีครับ